ใครสงสัยในความปฏิบัติวันนี้ขออนุ ญ, ญาตเป็นกรณีพิเศษผู้ดใดสงสัยให้ถามท่านภัยบุญได้เอาได้เลยรับนมส ก, การพระ้ออาจารย์อยากกลับเรียนในข้อของมรค8นะคะอยากให้ขยายความข้อมรค8 อันเป็นหนทางที่จะไปถึงนิโรธนะคะโดยเฉพาะในข้อของสัมมาวาจาขนาดต้องขนาดไหนถึงเรียกว่าสัมมาวาจาพิจารณาอย่างไรสัมมาวาจาพระพรุทธเจ้าได้กล่าวถึงการเว้นขาดจากการพูดโกหกพูดเพ้อเจ้อพูด ยุยงให้แต่กันแล้วก็พูดคําหยาบสี่ลักษณะนี้ยังยังรวมถึงการที่ไม่พูดด่ากันไม่พูดว่ากันด้วยการกระทบกระเทียบเบียดเบียนก็ผู้จักกระทบกระเทียบเบียดเบียนก็เป็นผิดของสัมมาวาจาเพราะฉะนั้นเป็นวิถีชีวิตในการดำเนินชีวิตของเรา ให้ดำเนินชีวิตด้วยการที่มีสมาวิจาร์ก็จะมีอยู่วันหนึ่งในวันที่เจที่จริงๆแล้วจะเป็นให้วันที่มีสมาวิจารเนี่ยจะได้อ่านเรื่องของสมาวิจาให้ฟังในรายละเอียดก็จะเข้าใจมากขึ้นในในวันนั้นนั้นวันนั้นจะพัฒนาให้ฟังเรื่องของสมาวิจาร์ก็ ขอเหียนท่านอาจารย์ขน้อยขออนุญาตถามทางด้านปฏิบัติขน้อยขอความขุนอาจารย์แจ้งน้ำท่านอาจารย์ว่าการนั่งฝึกจิตหรือว่านั่งสมาธินี้หลังจากนั่งไปแล้วลินยิ้นท่านอาจารย์มันเคยวอาว่าเกิดสารแล้วขน้อยอยากเข้าใจว่า ผู้หนึ่งปฏิบัตินี่ภายในสองสามเดือนก็ก็สามารถมีบรรลุและบางคนก็เจ็ดแปดปีก็ยังบม่หสันได้อันนั้นมันมันจะมีขอบขออันใดที่ต่างกันนะวะแล้วอันสองมันการขึ้นซานนี้ศานกับบรรลุธรรมนี่มันเหมืนคว่ำเดียวกันบอกระน่อยและซานสี่านนั้นมันแต่ละซานเนเป็นเป็นอันใดๆครับน่อยและซานกับกับอนาคามมบอกคือสกีตาคามมที่มันมันคือกันบุหรือบุบบ่คือกัน ฌา น, นแปลว่าการเพ่งการเพ่งเช่นว่าถ้าเราเพ่งรูปหรือว่าเพ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างในกรณีที่เราทำอยู่นี้คือเรามาเพ่งลงมหายใจทีนี้พอใช้คำว่าการเพ่งในาภาษาปัจจุบันเราจะมีความหมายแฝงคือการบังคับการเพ่งการบังคับนี้แต่จริงๆการเพ่งใน ที่พระเจ้าพูดถึงนี่คือการเอาใจจดใจจ่อโดยที่ไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงเพียงถ้าเรามีการเพ่งเพ่งลมหายใจคือเอาใจจดใจจ่อที่ลมหายใจเนี่ยแล้วมีปีติสุขมีความคิดที่เป็นกุศลธรรมเกิดขึ้นนั่นคือลักษณะของฌานทีนี้ว่าทําไมบางคนถึงได้หรือไม่ได้ไม่เหมือนกันแต่พระเจ้าเคยยกตัวอย่างเปรียบเทียบถึงพ่อครัว สองคนคนหนึ่งทำํทำทําอาหารทำอาหารอร่อยก็อีกคนหนึ่งทําอาหารไม่อร่อยคนที่ทําอาหารไม่อร่อยนีย่ก็ไม่ได้ค่าจ้างรางวลัลส่วนคนที่ทําอาหารอร่อยนี่ก็ได้ค่าจ้างรางวลัลสาเหตุที่ทําอร่อยไม่อร่อยต่างกันนี่ก็เพราะว่าเขาไม่รู้จักสังเกตรสชาติของอาหารไม่รู้จักสังเกตว่าคนกินชอบกินแบบไหน เ, เปรียบเทียบกับ คนสองคนนั่งสังเกตลมหายใจเนี่ยเจริญกายานุปัสนาสติปัฏฐานคนหนึ่งทำไมจิตเป็นสงบเป็นสมาธิได้อีกคนหนึ่งจิตไม่สงบไม่เป็นสมาธินั้นก็เพราะว่าคนที่จิตไม่สงบเนี่ยไม่รู้จักไม่ฉลาดในการที่จะสังเกตนิมิตแห่งจิตของตนส่วนคนที่ฉลาดมีจิตเป็นสมาธิได้นั้นก็เพราะว่ารู้จักสังเกตจิตของตัวเอง อันนี้หมายถึงว่าเฮ้ยเราทำอย่างไงจิตของเราสงบคือบางคนทำแบบไม่ตั้งใจฟุกๆทําไปทําไปเอาจิตสงบแล้วไม่รู้จักสังเกตว่าไอ้ที่ตัวเองทํามาได้เนี่ยมาได้ยังไงนะคือถ้าไม่รู้ก็ทําอีกไม่ไดนะ้ก็เลยไม่สามารถได้สมาธินั่นอีกส่วนคนที่ทําได้นี่เขาก็รู้สังเกตแล้วก็จําทางที่ตัวเองมาได้ก็จึงทําให้ได้ประการที่2นี่มันก็อยู่ที่อินทรีย์ของแต่ละคน อินรีเนี่ยหมายถึงความเป็นใหญ่ที่ได้อธิบายให้ฟังเมื่อตอนวันที่1วันที่2อินรีหนึ่งในประการนั้นคืออินรีย์คือสมาธิแต่บางคนก็มีอินทรียคือสมาธิน้อยบางคนก็มีอินรีย์คือสมาธิมากทีนี้อินรีเนี่ยมันก็ปรับได้เหมือนกั น, นปรับได้ด้วยการอาศัยเอาความเพียรเนี่ยมาปรับเพิ่มสมาธิได้มันก็อยู่กลับไปประเด็นเดิมที่ว่า ร, รู้จักสังเกตนิมิตแห่งจิตของเราไหมอย่างนี้ที่1นึ่งทีนี้คําถามต่อไปที่บอกว่าฌานคือการฌานเนี่ยกับการบรรลุธรรมต่างกันหรือไม่คําว่าบรรลุบรรลุนี้จริงๆแล้วใช้มาตั้งแต่สมัยก่อนพระพุทธเจ้าแล้วนะคําว่าบรรลุบรรลุเนี่ยคือหมายความว่าบางทีเราเจากเด็กอย่างเงี้ยมาเป็นผู้ใหญ่ คุณฝึกขับจักรยานได้ของคุณบรรลุถึงความสามารถในการขับจักรยานได้แล้วนะหรือว่าจากเด็กที่เดินไม่ได้มาวิ่งได้เดินได้อันนี้คุณก็บรรลุทําเปน็นขั้นขั้นแล้วนะตัว น, นี้พระเจ้าบกพูดถึงการบรรลุเนี่ยก็คืออาศัยเหตุปัจจัย5อย่างนี้นนคือศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญา5อย่างนี้ทําให้คนบรรลุเร็วหรือบรรลุช้าแจําตอนที่พระเจ้าไปเรียนธรรมะ ก, กับ อุตกระผู้รามบุตรหรือว่าอา ร, ราตะบดกรรมโคดได้ไหมที่บอกว่าศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาของท่านทั้งสองเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าท่านทั้งสองเหล่านั้นมีอย่างเดียวแต่ตัวพระองค์เองตอนนั้นยังเป็นโพธิสัตว์ก็มีคุณธรรม5อย่างนี้เหมือนกันนะพอเจริญธรรมห้อย่างนี้แล้วก็ใช้ความสามารถใช้คุณสมบัติใช้ทํามห้อย่างเนี้ย ในการเรียนธรรมะใดๆมันก็จะทำให้เราบรรลุเร็วหรือบรรลุช้าเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เราบรรลุทำใดทำหนึ่งได้เร็วหรือช้าเพราะฉะนั้นการบรรลุกับการที่อย่างสมมติเราทำสมาธิยังไม่เคยได้คุณมาเป็นทำได้อันนี้ก็บรรลุละคนที่จะรู้ลมหาใใจได้ทาได้อย่างลึกซึ้งขึ้นไปเนี่ย หนึ่งในคุณธรรมทั้งหมดเจ็ดอย่างหนึ่งในเจ็ดอย่างนั้นก็คือเป็นผู้ที่รู้ว่าจิตของเราบรรลุเป็นขั้นๆยังไงไปอันนี้จะทําให้การปฏิบัติของเราเก้าวหน้าไปได้ทีนี้การบรรลุที่สมัยปัจจุบันเราใช้กันเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าบรรลุขั้นสูงสุดนั่นคือบรรลุด้วยความเป็นอริยะบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งอย่างนี้ <c oughs> เพราะนั้นอก็ให้เข้าใจความหมายทั้งในความางกว้างแล้วก็ ในการลงรายละเอียดในลักษณะนี้กลับพิมมการค่ะจะเรียนถามว่ะอาจารย์ว่าในกรณีถ้าเร า, เาสามารถมีจิตสงบแล้วเราไม่สามารถรับรู้รมได้เนื่องจากเรามีเวทนาเกิดขึ้นบริเวณโพงจมูกเนี่ยถือว่าเราจําเป็นที่จะต้องหันกลับมาที่จะรู้รมหรือเปล่าคะ <c oughs> จิตสงบไปแล้วไม่สามารถรับรู้ลมหายใจได้ ไม่ค่ะพอเวลาที่เรานั่งปฏิบัติเนี่ยพอเรานั่งลงอยู่กับที่เนี่ยเวทนาจะเกิดที่บริเวณพงจมูกเราอย่างชัดเจนขึ้นออแต่ในขณะเดียวกันเราไม่สามารถจับลมหายใจได้แต่เราสามารถรู้ว่าจิตของเราสงบอ๋อทีนี้พระอาจารย์เคยสอนว่าให้เรารู้ลมเราเลยมไม่อมเลยไม่ทราบว่ายอมปฏิบัติถูกทางหรือเปล่าถ้าใครเคยเลี้ยงเด็กเลี้ยงเลี้ยงลูกนะอายุขวบสองขวบที่เพิ่งโตมาอย่างเงี้ย หรือเด็กทารกอย่างเงี้ยถ้าเผื่อมันมันหลับไปแล้วเนี่ยคือมันจะร้องไห้อยู่ทั้งวันนะเด็กหิวก็ร้องไห้ปวดท้องน้ํามันก็ร้องไห้พอมันเงียบแล้วมันหลับไปแล้วเนี่ยเราไม่ปลุกเข้ามาอีกคือหลับแล้วหลับไปเลยไม่ไปเรียกเขาเช่นเดียวกันกับลมหายใจของเราเนี่ยถ้าลมหายใจของเราสงบไปแล้วน่ะนิ่งไปแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปบังคับลมให้มันดังขึ้นมาอีกมันมีมีสัมผัสอีกไม่จําเป็น สงบแล้วก็สงบไปเลยไอ้คาที่บอกว่าให้มีสติรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยหมายถึงให้มีสติอยู่ในการหายใจคือบางคนมีสติอยู่ในการหายใจแต่ลมหายใจเนี่ยระ ง, งับไปแล้วนคือลมหายใจก็อย่างหนึ่งการหายใจก็อย่างหนึ่งคือการหายใจแต่บางคนไปรู้ถึงการจังหวะเคลื่อนไหวของกระ บ, บังลมก็ได้รู้ถึงจังหวะเคลื่อนไหวของท้องยุบท้องพองก็ได้รู้ถึงจังหวะที่ ร่างกายมันเปลี่ยนแปลงไปก็ได้อันนี้การหายใจเรารู้ได้ทีนี้ที่บอกว่าการหายใจหรือบางทีรู้ลมหายใจก็ได้ทีนี้ท่านลมดับไปแล้วนะก็ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้การหายใจคือเรารู้การหายใจเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงของร่างกายมันยังมีอยู่แต่ว่าให้จิตของเราเนี่ยอยู่ณที่ตำแหน่งเดิมนะคือตำแหน่งที่สัมผัสครั้งสุดท้ายของลมหายใจที่เรารู้สึกอยู่เหนะมือนกับเราคือเราเอา หมดปักเข็มียปักไว้บนบอร์ดเลยนะวัวควายเอาสนทภายเนี่ยเอามันตำแหน่งนี้เอาที่เดียวนะไม่สนใจไปในที่อื่นอ่าไม่ต้องให้จิตของเราไปตามลมเข้าลมออกแต่ว่าเราเอาจิตของเราอยู่ที่นี่ถึงแม้ลมหายใจจะระ ง, งับไปแล้วเนี่ยเรายังรู้ถึงการหายใจของเราได้อยู่นะก็คือให้อยู่ที่ตำแหน่งเดิมต่อไปโดยที่ไม่ต้องทําให้ลมหายใจมันหยาบขึ้นมาอีก คือในกรณีนั้นหมายความว่าจิตของเราเนี่ยละเอียดลงไปแล้วนั้นละเอียดลึกซึ้งลงไปแล้วทาให้เราไม่สามารถที่จะเห็นลมหาใจได้คือหมายความว่าสัมผัสเนี่ยนะถ้าเราทําตําแหน่งที่อยู่ในโพรงจมูกของเราเนี่ยให้มันเล็กนิดเดียวนะอนุภาพบางอย่างเราก็ อ, อนุภาพที่หยาบหยาบบางอย่างเราก็จะไม่รู้สึกไปแล้วดางเพะะนั้นถ้าเราจิตของเราละเอียดในลักษณะนั้นแล้ว และไม่ต้องไปทำให้จิตหยาบขึ้นมาอีกขออนุญาติครังข อ, อเสริมบัญหาคำถามเก้าอาเกี่ยวกับสานกันหน่อยอยากขอถามว่าซานนี้อาจารย์ว่ามีซีและสานนั้นซีทั้งสีเห็นมีอันใดแดร์และสมมุติว่ า, าการฝึกสมาธิฝึกไปแล้วหันบรรลุธรรม แนวใดแนวหนึ่งและเหตุไดจึงพู ว, ว่าอตนลเอียงนี้ได้ศานหนึ่งตุลเองได้ศานสองอันมันมีอันใดวัดแทกว่าอันนี้มันซานหนึ่งอันนี้มันศานสองและหลังจากบรรูซานนั้นถ้าเทียบไซโซดามันหรือเทียบอันนั้นมันต่างกันบนเรือแนวใดหรือว่ายังไก่กันอยู่แบบใดนนี้ขออาจารย์ให้ให้คำพิจารณาห น, น้อยหนึ่งพระรชาบอกอย่างนี้บอกว่าสมาธิ คือสมาสมาธิเนี่ยมีบริการอยู่7อย่างคือสมาธิฏิสมาสังกปะสมาวาจาสมมากรรมันตาสมาชีวะสมาวายามะสมาสติ7อย่างนี้ถ้าแวดล้อมจิตที่เป็น1อยู่จิตที่เป็น1น่ี่แหละเรียกว่าจิตที่เป็น1นี่แหละเรียกว่าอริยสมาสมาธิที่มีบริการเฟ้นถ้าเรามีมรรคทั้ง7อยู่แวดล้อมจิตที่เป็น1่ อละ น, นี่คือสมาสมาธิแล้วนะอันนี้คือเกณฑ์วัดได้อย่างที่1ในกรณีที่คําถามพูดถึงฌานทั้ง4ี่คืออันนี้ได้อ่านให้ฟังตั้งแต่วันแรกแล้วว่าสมาสมาธิเนี่ยนัยยะที่2ที่พระเจ้าพูดถึงฌานทั้ง4คือในัยยะแรกนี้พูดถึงบริหารทั้ง7ของสมาสมาธิอันนี้อันที่1 น, นะหรือในในยะที่สองพระเจ้าอธิบายในลักษณะของฌานทั้ง4 ชาญทั้งสีนี้ <c oughs> <c oughs> พระเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้บอกว่าชาญที่หนึ่งเนี่ย <c oughs> คือมีความคิดที่เป็นวิตกวิจารนะ์มีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วก็ส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเราทั่วทั้งตัวนะที่ปีติและสุขไม่ถูกต้องแล้วไม่ได้มีนะพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างของนายช่างที่เขาทาสบู่ มาเข้าขันมาขันหนึ่งแล้วก็โรยผงที่ใช้สำหรับถูตัวลงไปนะพอมันเอาออก อ, อกย่างเข้ากันทั่วเนี่ยก้อนน้ําในในนั้นมันก็แข็งเป็นเป็นก้อนออกมาถ้าใครทําสบู่ไม่เป็นลองนึกถึงทําเยลลี่ก็ได้ เ, เยลลี่เนี่ยคุณเอาแม่พิมพ์มาใช่ไหมคุณใส่น้ําผสมเข้าไปแล้วก็ใส่ผงเยลลี่เข้าไปเนี่ยผงเยลลี่เนี่ยก็คือผงนั่นแหละที่ทําสบู่เนี่ยนะลักษณะเดียวกัน ใส่เข้าไปแล้วกวนมันเสร็จเรียบร้อยทิ้งไว้มันแห้งปุ๊บขอออกมานี่เป็นก้อนแข็งเก็กเด็กคือห ม, มายความว่าแข็งนุ่มๆเป็นเยลลี่เนี่ยนะแต่ไม่มีส่วนไหนที่ไหลย้อยหยดออกมาเลยถ้าคุณผสมถูกสัสดส่วนแต่ถ้าผสมไม่ถูกนี่เดี๋ยวตรงขอบขอบมันจะไหลยเยิ้มออกมาอันนี้ถ้าคนทําเยลลี่ไม่เป็นหรือเพิ่งเริ่มทําจะมีปัญหานี้สมัยเป็นคารวะาเคยทําเยลลี่กินปรากฏว่าเราผสมไม่ถูกสัสดส่วนเนี่ย ไอ้ขอบขอบมันไม่แข็งให้เรามันไม่เป็นบุญให้แต่มันก็ทําให้สุกจนกระทั่งมีคนแนะนำํำอะไรต่างๆเราทําถูกอ๋อทั้งก้อนเนี่ยมันออกมาเป็นก้อนแข็งๆพระพุทธเาเปรียบเทียบตรงนี้หมายถึงว่าปีติและสุขเนี่ยถูกต้องกายทั่วทั้งตัวแต่ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของกายที่ไม่ถูกต้องปีติอันนี้ดูอนที่1ทีนี้ปีติสุขนี่ต้องเป็นปีติสุขที่เกิดจากสมาธิด้วยนะปีติสุขที่เกิดจากความวิเวกนะ คือไม่ใช่ว่าไปฟังดนตรีแล้วมีความสุขทั่วตัวอันนี้ไม่ใช่แต่ยังอาศัยหูอยู่แต่ถ้าเราใช้จิตของเราอย่างเดียวนะทำความสุขมีปีติสุขเกิดขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นสมาธิระดับที่1แล้วทีนี้ที่ลึกซึ้งขึ้นไปเนี่ยจะมีสมาธิที่ไม่ต้องอาศัยความคิดแต่บางคนคิดถึงเรื่องบุญกุศลที่เราได้ทามาใช่ไไปทอดพระปาท่ากถินที่นั่นที่นี่ สร้างกุติวิหารมีปิติสุขเกิดขึ้นอันนี้คุณยังต้องอาศัยความคิดในการช่วยอยู่แต่ถ้าเราไม่ต้องมีความคิดไม่ต้องอาศัยความคิดในการช่วยเราเป็นสมาธิที่หมายถึงเป็นปิติสุขที่เกิดจากสมาธิจริงๆอันนี้ก็ยิ่งลึกซึ้งเึ้นไปนี้เป็นลักษณะของฌาน2พระเช่าเคยเปรียบเทียบกับบ่อน้าบ่อหนึ่ง ที่เมืองไทยเนี่ยจังหวัดเลยมีเขาเรียกว่าบอ่อที่มันมีน้ําพุดขึ้นมาบอ่อน้ําผุดคือไม่มีน้ําไม่มีทางน้ําเข้ามาจากบอ่อนี้มาสู่บอ่อนี้นะบอ่อนี้ตั้งอยู่บนยอดเขาเพรากว่ามันมีน้ําพุดขึ้นมาจากใต้พื้นดินนะทําให้น้ําเนี่ยมันเ อ, อ่อขึ้นมาจากจากตัวบอ่อนะเป็นลักษณะของการเปรียบเทียบที่ทพระเจ้าบอกว่าน้ําเย็นที่อยู่ในบอ่อนี้ถูกต้องโดยทั่วจาก น้ำเย็นที่พุ่งขึ้นมานะโดยไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของบ่อน้ำนี้ที่น้าเย็นไม่ถูกต้องเลยนะอันนี้ก็กรณีที่2 ส, ส่วนกรณีที่3ามนีนะ้ถ้าคนทาสมาธิไปเรื่อยๆยจะพบว่าจะมีความสุขที่ละเอียดไม่เหมือนกันนะคือถ้าเราได้อุเบกขาแล้วเนี่ยอุเบกขาคือความวางเฉยนะพอจิตเราเป็นอุเบกขาแล้วเราจะนิ่งเฉยสบายๆยอยู่ในใจของเรา นะอาการนิ่งเฉยตรงนี้นะเป็นลักษณะของฌนะานที่3มนะั้นจะมีแ ต, แต่แต่ในอุเบกขาจะมีความสุขอยู่ในอุเบกขาจะมีความสุขอยู่ทีนี้นี่คือลักษณะของฌานสาคือคุณไม่ต้องคิดอะไรเลยสมาธินี่เป็นอุเบกขาไปแล้วนะเป็นอุเบกขาไปแล้วเพราะอุเบกขาแล้วแล้วนะเรามีความสุขที่เกิดจากอุเบกขานั้นในความสุขนี่แหละคือฌานที่3 ทีนี้ถ้าเราตัดเจ้าความสุขนี้ออกไปเหลือแต่อุเบขาลุนลน้วนนี่คือลักษณะของฌานสี่เพืเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆคือบางคนไม่ได้สมาธิเนี่ยนะฟังไปเขาจะไม่เข้าใจเหมือนคนไม่เคยกินแกงพังเลอะเคยกินแก ง, งเละไหมไม่รู้จักเป็นแกงอย่างหนึ่งในภาคเหนือหรือเคยกินน้องวัวไหมเคยกินใช่ไหมคนไม่เคยกินน้องวัวไม่รู้จักว่าน้องวัวเป็นยังไง เขไม่รู้ชาว่าไอรสชาติมันกรึบกเป็นยังไงเช่นเดียวกับแกงฮางเลคุณไม่เคยกินคุณจะไม่รู้แต่สมาธินี่ถ้าไม่ได้เราจะไม่รู้จนกระทั่งไปลองชิมดูซะก่อนโอ้มันแซบอย่างนี้มันอร่อ ย, อยนี้เอา้าทำบ่อยๆนะเราจะได้ถ้าจะเปรียบที่ไม่ฟังก็เหมือนกับเจ้าแว่นขยายที่เขารวมแสงเนี่ยแว่นขยายเลนสนูน no นะดูภาษาอีสานภาษาลาว เ, าเรียกอะไรเล no นสะนูนอะแว่นขยาย ที่เขาเร น, นูนนะนะเป็นขยายนั่นแหละถ้าเราเอาไปส่องแสงแดดถ้าเราปรับจุดรวมแสงเนี่ยให้มันใหญ่ๆหญนะพลังงานจะน้อยแต่ถ้าเราปรับจุดรวมแสงให้นิ่กลงนะพลังงานจะมากนะเช่นเดียวกันความคิดทั้งหมดในโลกพุทธชาแบ่งเป็น2 ส, ส่วนส่วนที่ไม่ดีนะคืออกุศลทั้งหมดยกทิ้งไม่เอานั่นคือมิจฉาสังฆปะส่วนที่เป็นกุศลทั้งหมดเราเอามาคิดเอามาทํา จนเกิดปิติสุขขึ้นอันนี้ฌานที่1เอาความคิดไม่เอาคิดโมัวั่วไม่เอาเอาคิดเรื่องเดียวนะคิดเรื่องเดียวที่ดีด้วยนะคือค <smoking S 2> ิดดีอย่างเดียวคิดดีหลายหเรื่องอันนี้เกิดปิติสุขขึ้นได้อันนี้เป็นฌานที่1นึ่ทีนี้คิดดีเรื่องเดียวแลああ um ้วเกิดปิติสุขอันนี้เป็นฌาน2เรื่องอื่นก็ไม่เอาเอาอุเบขาเรื่องเดียวอุเบขาเรื่องเดียวนะแล้วเกิดความสุขขึ้นอันนี้ฌาน3ความสุขในอุเบคานั้นก็ไม่เอาเหลืออุเบคาล้วน นี่คือชั้นสแสดงว่ามันจะเล็กๆค่อยๆเล็กลงมาแต่เหมือนกันเวลาที่เราสังเกตลมหายใจของเราเบางทีหลวงพ่อจะบอกว่าให้ทาจิตให้เล็กลงให้สังเกตลมหายใจให้ละเอียดลงลนี่คือการทำจิตให้ละเอียดตรงนี้คือทาจิตให้เหมือนกับเลเซอร์ที่เขาใช้เลเซอร์นะมามีอยู่อันนึงเลเซอร์เลเซอร์นี่มันเล็กมาก แสงสว่างมันเล็กมากมีพลังงานสูงเพราะนั้นเราทำจิตให้เล็กอย่างนี้นะตรงจุดที่เรารับรู้ถึงลมหายใจแตนะ่ถ้าลมหายใจดับไปแล้วไม่ต้องไปรู้ลมอีกนะแต่ให้จิตของเราละเอียดเล็กลงไปอย่างนั้นจะมีเป็นจิตที่มีกำลังมากมีพลังงานมากากำลังจิตตรงนี้จะไปใช้ในประโยชน์ได้หลายอย่างาใช้สอบก็สอบก็สอบผ่าน ใช้แก้ปัญหาในหน้าที่การงานก็เปลี่ยนเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ใช้แก้ปัญหาในความสัมพันธ์ของครอบครัวก็จะกลายเป็นอดทนความอดทนความเห็นอกเห็นใจกันใช้แก้ปัญหาในบ้านเมืองก็จะกลายเป็นความสามคัคคีเป็นความมีเมตตากันนันจิตอย่างนี้แหละที่เราควรจะทำให้เกิดขึ้นพอเราทำจิตอย่างนี้ได้ไม่ใช่ว่าเราทำแล้วเราได้คนเดียวคือคนอื่นเขาก็ได้ด้วย นะธรรมะนี่เป็นของอย่างหนึ่งที่เมื่อเราเอามาไว้ในจิตของเราแล้วเนี่ยคนอื่นก็ได้ประโยชนนะ์ได้ประโยชน์จากการที่เรามีเมตตาการที่เรามีความอดทนกนะ็คือบางคนจะไปคิดว่าเวลเรามาปฏิบัติธรรมะที่นี่คนกลายได้ประโยชน์ตัวเองนะสละบ้านสละเดือนคนอื่นเขาไม่ได้เขาต้องมาทํางานแทนเรามันมันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่า ส่วนที่จะเกิดขึ้นจริงๆคือเมื่อเรากลับไปแล้วเนี่ยเขาก็จะได้ประโยชน์จากการที่เราเป็นคนดีขึ้นมีจิตที่บริสุทธิ์มากขึ้นในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องทําให้มันละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปทำให้ค่อยๆละเอียดลงไปละเอียดลงไปที่ละเอียดแล้วก็มีละเอียดอีกหลวงพ่อเคยยกตัวอย่างเหมือนกันสับหมูทําลาบนะทำลาบสับหมูนี่สับสับสับก็ไปสับแล้วสับอีกสับจนมันละเอียดแล้วก็สับอีกได้ แล้วเราก็ทําซ้ซําๆย้ำๆทําบ่อยๆแตนะที่บอกว่าให้เรารู้ลมหายใจเรื่อยๆทำซ้ำซําๆทําย้ำๆเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเราทําซ้ําทําย้ําอยู่กับที่แล้วมันมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคืออย่างอย่างบารรพบุรุษของเราเนี่ยทำนาก็ ท, ทํนะาที่เดิมทําซ้ําที่เดิมทํานยะ้ําที่เดิมข้าวก็ออกมาทุกปีทุกปนะีเลี้ยงมาเป็นหลายรุ่นหลายรุ่นมาแล้วเป็นร้อยร้อยปีแล้วนะหรือว่า เออทำถนนอย่างเงี้ยเขาก็ทําด้วยกระบวนการเดิมทําไปทําไปมันก็ยาวขึ้นแต่เช่นเดียวกันเราทําจิตของเราอย่างเงี้ยคือคือทำให้รู้ลงไปใจอยู่เรื่อยๆเนี่ยจิตเราก็มีกําลังมากขึ้นมีกํำลังมากขึ้ น, นแต่เราต้องสังเกตจิตของเราให้ออกคือบางคนจะไปเข้าใจว่ า, าทำเนี่ยทำที่ผล อ, อย่างไปเมืองลาวครั้งล่าสุดก็มีป้ายชี้ไปคือน้ำเ ง, งิบอย่างเงี้ย เกิ น, น้ำเงืมนเนี่ยดูจากแผนที่เรามีน้ำมากและมีน้ามากแต่ว่าฝนนี่มันไม่ได้ไปตกหน้าเขื่อนอย่างเดียวนะคือฝนเนี่ยไม่ได้ไปตกตรงหน้าเขื่อนแล้วมันมีน้ามากไม่ใช่ฝนเนี่ยตกอยู่บนยอดเขายอดผานะตกตกตกจนกระทั่งน้ำมันก็ไหลมาไหลมาไหลม า, ลมารวมกันจนเป็นมีปริมาณน้ำมันมากขึ้นได้อย่างเราจเจริญดูลมายใจเนี่ยคุณบอกว่าจะทำปีติสัมโพชงให้เกิดขึ้น ฉันจะทําสมาธิให้เกิดขึ้นฉันจะทําฌานให้เกิดขึ้นมันไม่ใช่อย่างนั้นคือวิธีปฏิบัติคือสังเกตลงมาใจอย่างเดียวคือฝนตกเนี่ยมันไม่ได้ตกที่หน้าเขื่อนน้ําที่มาเนี่ยนะมันตกอยู่บนเขาแล้วมันก็ค่อยไหลามาไหลามาแล้วเราสังเกตลงมาใจเนี่ยจิตมันก็ค่อยไหลไปไหลไปนนจนกระทั่งจิตเรารวมลงเป็นสมาธิบ้างจิตเราปล่อยวางได้บ้างเห็นการเกิดดับบ้างบรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็เพราะอาศัยเหตุที่เรา สังเกตลรหมายใจอยู่เรื่อยๆคือไม่ได้ไปเฉพาะจ่อจงว่าฉันต้องทำเอาว่าวันนี้เอาชาน4ี่ไว้เดี๋ยววันต่อไปเอาชาน5ชาฌนหมีหรือเปล่าไม่รู้ลองทําดูก่อนมันไม่ใช่อย่างนั้นคือเราดูเราหมายใจของเราอย่างเดียวนนั้นดูไปดูไปเนี่ยมันเป็นเหตุปัจจัยสร้างไปเรื่อยๆสร้างไปเรื่อยๆมันเป็นพื้นฐานที่สร้างเจ้าอินทรีย์ตั้ง5ให้เต็มขึ้นให้สมบูรณ์ขึ้ น, นสามารถที่จะ รับงานใหญ่ได้ทํางานใหญ่ได้นะทําไปลักษณะนี้คือสร้างเหตุอย่างเดียวคือในเรื่องนี้ก็การสังเกตลงมใจให้ละเอียดขึ้นไปแต่นะ้าพูดง่ายๆก็พูดว่าสังเกตลงมใจอ่ะทีนี้ถามว่าเล้ว ถ, ถ้ามีความคิดฟุ้งซ่านนะมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเราจะแก้ไข ย, ยังไงก็ต้องมาค่อยฝึกอย่างที่เราทําอยู่ในทุกๆวันนี้คือนะเรื่องความรู้ความเรียนเนี่ยรู้เรียนมามันก็ดีอย่างที่วันนี้ที่อ่านให้ฟัง ในเรื่องของอริยสัจว่าไอ้ที่เรารู้มารู้มาเนี่ยเรารู้จริงหรือเปล่าหรือเราจําได้เฉยๆนะจาได้ว่าอาจารเป็นอย่างนี้เขาว่ากนันอย่างนี้ในะครูบาอาจารย์องนี้ก็ว่าอย่างนี้อีกองหนึ่ก็ว่าอย่างนึงเอาแล้วจริงๆมันคืออะไรกันแนนะ่คือเราต้องรู้ด้วยตัวของเราเองนะรู้ด้วยการปฏิบัติคือไม่ใช่แค่จําได้เฉยๆแต่ให้รู้นะียอย่างเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นหมอเป็นพยาบาลเนี่ยหมายถึงนายแพทย์นะ หรือว่าเป็นพยาบาลเนี่ยเขาไม่ได้ฝึกกันมาเอาคุณไปเรียนสักสามวัน7วันคุณก็เป็นหมอเป็นพยาบาลได้ไม่ใช่นะเขาเรียนเป็นปีนะหมอนี่เรียน6ปีอีกปีหนึ่งไปฝึกงานกว่าจะไปต่อเป็นเฉพาะทางอีกอีก5ปี6ปีแต่คนจะรักษาได้จริงๆผ่าตัดมีชื่อเสียงต้องสิบยี่สิบปีนูน่นนั้นก็เพราะว่าเขาค่อยค่ศึกษาไปค่อยๆรู้ไปแล้วหมอรู้ไข่เนี่ยมันไม่เหมือนกับ คนรู้ว่าตัวเองเจ็บเฉยๆคือถ้าหมอเขารู้เรื่องไข้เนี่ยเขาจะรู้ว่าเป็นเชื้อโรคตัวไหนเชื้อโรคชนิดนี้มันมีกี่สายพันธุ์มันกินอะไรมันแพ้อะไรเราจะใช้ยาชนิดไหนแก้ไขได้แต่เช่นเดียวกันเรารู้เรื่องฌานเรื่องสมาธิเรื่องมรรคผลนิพพานเนี่ยรู้แล้วเราก็สร้างเหตุให้ถูกด้วยการทําในการปฏิบัติเรื่องของเรลมหายใจนี้เท่านั้นเอง พอพูดอย่างนี้แล้วบางคนอาจจะคิดว่าโอ้โหมันง่ายขนาดนี้เลยทุกอย่างก็มารวมที่ลมหายใจแล้วก็ค่อยไหลไปไหลไปก็อย่างอย่างน้ําที่อยู่ในเขื่อนเนี่ยมันเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าก็ได้ใช้ทําการเกษตรก็ได้ใช้ล้างน้ําเสียก็ได้ใช้ในการที่จะทําประมงก็ได้เลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรก็ได้แต่เช่นเดียวกันในลมหายใจของเราเนี่ยในวันต่อๆไป คือเนื่องจากนี้มันเป็นหลักสูตรเวันนะยิมพึ่งวันที่4ี่ไอ้เรื่องตอบคําถามเนี่ยก็จริงๆไม่จะไม่ได้มีอยู่ในหลักสูตรปกติแต่ว่าในวันถัดติดไปวันที่4วันที่5วันที่6ก็จะค่อยอธิบายถึงรายละเอียดลึกซึ้งว่าต่างๆนี่มันแยกประเป็นยังไงนะตรงไหนที่มันดับทุกได้ตรงไหนที่มันคลายความทุกได้ฟังไปรอบแรกอาจจะไม่เข้าใจเอาอย่างแค่ว่า บางคนบอกดูลมหายใจอะ่ะดูลลมหายใจดูลมหายใจแล้วรู้ไหมว่าในลมหายใจมันเป็นกายด้วยเป็นเวทนาด้วยจิตก็อยู่ในนี้ธรรมะต่างๆก็อยู่ที่นี่นะ อ, อ, อย่างเวลาเรากินกินอะไรตอนเช้าใครกินเค้กบ้างในเค้กคุณรู้ไหมว่ามีไข่อยู่มีแป้งอยู่มีน้ําตาลอยู่แล้วเขาใส่ยีสต์เข้าไปด้วยนะเขาใส่ผงอะไรทําให้มันฟูขึ้นมาเนี่ยส่วนประกอบต่างๆที่เนี้ย ถ้าเราไม่ได้เป็นคนทําเราไม่ได้เป็นคนรู้เนี่ยเราไม่รู้เลยแต่จะต้องให้คนที่เขาทําเป็นเนี่ยมาบอกเพระพเจ้าของเราก็เหมือนกันนะคุณบอกคุณรู้ลมหายใจโอ้ยคุณรู้ยังไง ร, รู้ลมหายใจพระพุทธเจ้าแยกแยะออกมาเนี่ยมีอย่างน้อยมีสติปัฏฐานสี่มีโพชฌงทั้ง7อยู่ในลมหายใจนี้รวมกันเป็นหนึ่งแต่ว่าเวลาเราทําเนี่ยในวลาเรากินเค้กเนี่ยนะคุณไม่ได้เอาไข่มากินอย่างหนึ่ง แล้วก็แป้งมากินเข้าไปแล้วก็อาน้ํามาใส่ตามเราไปใส่น้ํามันแล้วก็ไปขยา่าขย่าในตัวมันไม่ใช่อย่างนั้นคุณผสมกันดีก่อนนวดอย่างดีทําอย่างดีเอาไปอบอย่างนี้แล้วก็มากินมันถึงจะอร่อยแต่เช่นเดียวกันเวลาที่เราทำเนี่ยเราทําจิตของเราเนี่ยทำให้มันละเอียดแต่เราไม่ใช่ว่าแยกทำอย่างเออฉันฉนไปทำเอาวันนี้เอาปัสติสัมโพชง์ชื่อมันแปลกๆดีลองทําดูหรือมันต่อไปเดี๋ยวคาบต่อไปเอาอุเบกขาสัมโพชง์ ไม่ใช่รเรารวมหมายใจอย่างเดียวแล้วไอ้พวกนี้พระเจ้าพูดถึงว่ามันจะมารวมลงเป็นหนึ่งอยู่ในที่จิตของเราแต่ถ้าจิตของเราตอบสนองเกี่ยวกับเรื่องใดมันก็จะเป็นไปในแนวนั้นอย่างสมมุติว่าถ้าเราเกี่ยวข้องกับลูกเด็กเล็กแดงลูกน้องลูกอะไรต่างก็กลายเป็นความรักความเมตตาในเกี่ยวข้องกับพ่อแม่ก็กลายเป็นความอ่อนน้อถมถ่อมตนในเกี่ยวข้องกับเพื่อนร่วมงานก็กลายเป็นความ กลายเป็นความรักความเอ็นดูความเมตตาเกี่ยวข้องกับผู้บังคับบัญชาก็กลายเป็นความซื่อสัตย์ความเอาใจใส่การงานนะซึ่งทั้งนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งนั้นเนี่ยมันรวมอยู่ในจิตของเราอย่างเดียวดฉงนั้นในการที่เราฝึกจิตให้มีกำลังให้มันอยู่ในที่นี้หมดเลยแต่มันมารวมลงอยู่ที่นี่อย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ ยากเกินไปหรือเป็นเรื่องที่ง่ายเกินไปมันจะเป็นเรื่องที่เราสร้างเหตุให้ถูกต้องเท่านั้นเองสมัยก่อนน้ำเนี่ยใครจะไาคิดว่าเอามาผลิตไฟฟ้าได้มันก็ไหลไปไหลไปอย่างดีที่สุดก็ก็มาเป็นปปาภูเขาแค่นั้นเองแต่ตอนนี้มีเทคโนโลยีมีการผลิตคิดคนก็เอามาเป็นผลิตไฟฟ้าได้จิต ท, ที่มีกำลังอย่างที่เรา กำลังฝึกอย่างนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็กลายเป็นความคิดความอ่านที่ทำให้ช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองให้มันเจริญขึ้นได้หรือว่าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้คำถามต่อไปได้ ข, อ, ข อ, อน้อมน้ำสักการกบาอาจารยเนาะทานการปฏิบัติฝึกจิตนี่ ขนอยล้วมีความรู้สึกเงนี้อาจารย์บอกว่าให้เอาจิตเอกไปไว้อยู่ในในผู้ดังเนาะข้อเวาเป็นภาสซาลาวแต่เมื่อเวลาได้ขนอยเอาเข้าไปเพื่อเบ่งลมหายใจนะจิตขนอยมันจะโบยอยู่บนเกามันจะอันวาดภาพไปเห็นเหตุการณ์เนาะเพราะว่ามือนี้นอาจารย์ได้เล่าว่าคนตายล้วบ่ามาว้าให้ฟังนะแต่ว่าบังเอิญว่า ขน้อยมีญาติคนหนึ่งที่ตายไปแล้วกลับคืนมาเนาะกลับคืนมาสามวันแล้วสามวันแล้วก็ตายจริงๆนะเพื่อมาเล่าสหฟังแล้วเวลาขน้อยเอาจิตไปไว้ในหนหูดังเพื่อเบิรรลมหั่นใจมันจะยายไปห้าหูภาพที่ญาติคนนั้นเนาะซึ่งเป็นน้องแม่ได้กำมือขน้อยไปได้เห็นภาพตัวนั้นจิตขน้อยบนนิ่ง ขนอยหรือยายจิตบนหท่านมาไว้ถึงหูดังเมื่อมาไว้ถึงหูดังแล้วพัดเห็นโบเห่นหล่มเข้าหล่มออกหน่อยแต่มาเห็นบนฟองแวบบฟองแวบบ <laughs> <laughs> ยุไนยุไนทองเพี่ขนอยแล้วขนอยเฮ็ด น, นิทึกบอหรือบททึกเนาะ <laughs> อันยักข้ามกุบาอาจารย์ขนอยก็ บ, บุ่มีบทเรียนมาเสนอ เลิกท่ามกูบาอาจารย์น น, นี้แหละปอบานพนว่าคนตายรเราบอกเราจะฟังอันนี้มีเรื่องจริงเพราะน้องแม่ขน้อยในห้าก็ตายได้ซีเดือนนี่ห้าก็ทําบุญนั้นสั้นเมื่อเวลาอาจารย์เว่าว่าแพ้ไม่แต่บุญกูส่งไปให้สัพพะสัตตังไลคขน้อยจึงโลงสติได้พูดตามว่าเอาไปให้ให้อันนะ้นองแม่คนนั้นเนาะเพราะว่าน้องแม่คนนั้นเวลากลับมาเพรอพนว่าให้ฟังว่า เพื่นโคยมใจ ย, ยมพิบานมาได้สามวันแล้วมาสร้างลูกสร้างล้านมาเฮ็ดพินัยกรรมไว้ว่าให้ทำบุญให้เพิ่นอันนี้มีเรื่องจริงทั้งหมดเนาะข้ามทันหม้อขำแพนอยู่นีก่กระไดว่าตัวจริงเป็นเรวได้พ่อขน้อยเมียนมีน้องแม่นี่เคยตายครัง้งหนึ่งแล้วพวกขน้อยไปหงหม้อไปหงหม้แ อ, อ, อ, อแล้วเพื่นเจาะเจาะทิจจล้อคอเราเอาจากักรช่วยหั่นใจ เดือนหนึ่งกับหกมือเรากลับมาอีกกลับขึ้นมาเป็นคนธรรมดาอายุได้ประมาณสามสีเดือนแล้วตายอีกบ้าที่ซ่องด็ก่อนตายบ้าที่ซ่องนี่ได้สั่งไวบาร์โบให้แพทย์เอาไปโรงพยาบาลถ้าแพทยเอาไปเพื่อนจะเป็นคนไส่กรรมเนาะวันนี้ตายครั้งที่ซ่องเรวพวกขน้อยแล้วไปเอาจักสวยหั่นใจอยู่หงหม้อมาใส่คือแมอน อ, อกบงังออกซี่นแหละพอดีได้ซ้ำวันแล้วคืนม า, ค, นมาคือเกามานั่งโว้ว แล้วก็มาสั่งมาว่านดพี่นายกรรมให้ทำํำแนวนั้นแนวนั้นแล้วสั่งไว้ให้ว่าให้เ็บุญห้าเวลาตายแล้วโบ้ให้ห้างผักข้าวใส่หัวหลวงยี่ย่งไลๆ่ๆอันแหละที่พนสั่งเนาะโดยสะโพกขนอยเนี่ยพนกรรมมือไว้ว่ามือที่ซ้ำนี่ก่อนตายนี่ข้อกินนั่นแบรนด์ขําขนอ้อยอันแล้วมือเศรา้าตอนเศร้าหั่นข อ, อันกินข้าวกับลูกเศร้าล่า สิบโมงขอกินกับลูกเศร้ากลางสิบเอ็โมงขอกินกับลูกขลองเอือยแล้วก็สุดท้ายมันคอกินลังนกกับขนอยแล้วก็เป็นตัวจริงเป็นแนวนั้นหม้อทุกอันเวลากเพันจะตายพันร่งงจา ก, กินลังนกแล้วพันก็ปิดไส้ทรงน้ําไส้อกซี่ออกหมดแล้วก็เอาเครื่องมานุง่งสิ่งที่พันยักได้แล้วก็นอนไปเซ่ยเซ่ยปนิตายมือที่ซ้ำนี่ไม่คืนมาเลย ตอนพันตายธรมิตพกขน้อยกับบุกกาเห็นย่างเพราะว่าเคยคืนมาเนาะจนสิบสองมงแบบไม้เขามาเชียงคืนคองวันนั้นแล้วตัวก็เย็นตัวเย็นเย็นมาแล้วพวกขน้อยจังเขาได้สลงจะได้ทำนั้นอันนี้เป็นเรื่องจริงทั้งหมดขน้อยจึงว่ามือมือนั้นขน้อยจึงได้ลงว่าอาจารย์ว่าแผ่เมตตาขน้อยกึนเลยได้ลง่งเบาเสข้อตัวข้ออภัยนําอาจารย์ไว้นี่นที่นี้เนาะ <c oughs> คำถามคือเวลาที่เรามาอยู่ในโพรงจมูกใช่ไหมแล้วทำไมไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่อยๆถูกไหมอ๋อมันเป็นธรรมดาคือหมายความว่าพระเจ้าเคยพูดถึงตัวพระองค์เองก็เป็นเหมือนกั น, น, นคือเวลาจิตเนี่ยมันจะไหลไปสู่ความรับรู้ความคิด ในทางตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างที่เป็นกรรมคุณ5อย่างเนี่ยมักจะไหลหไปในความคิดที่เป็นอดีตมากกว่าความคิดที่เป็นอนาคตรหรือในปัจจุบันแล้วนพะระชาบอกว่าครั้งก่อนแต่กันตรัสรู้ตอนที่เรายังไม่ได้ตรัสรู้ย่างเป็นปุถิดอยู่เนี่ยจิตเราเวลาจะไหลไปเนี่ยก็จะไหลหไปในอดีตมากกว่าที่จะเป็นอยู่ในปัจจุบันและอนาคตแล้วก็เลยบอกพระทั้งหลายบอกว่าแม้พวกเธอก็เหมือนกัน นะความคิดความนึกมันจะไหลไปในเรื่องราวอาดีตที่เป็นเรื่องที่ทรัพย์ซึ้งกินใจเราหรือว่าเรื่องที่เป็น เ, เป็นหนักหนาสหัสาการเนี่ยมันจะเป็นความคิดที่มาคอยที่จะให้จิตเราไปอยู่เสมออันนี้เคยยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับสัตว์6ชนิดนะสัตว์6ชนิดที่เอามาผูก เ, เอาไว้ถ้าเผิดว่าตัวไหนมีกําลังมากกว่าแล้วก็จะชุดดึงเราไป ครับครชายกตัวอย่างถึงมีลิงหมาสุนัขบ้านเนี่ยนะสุนัขจิ้งจอกนกแล้วก็ลิงกับนกแล้วก็จระเข้แล้วก็งูทั้งหกอย่างมาผูกไว้วตัวไหนมีกำลังมันก็จะดึงเราไปในกรณีนี้คือจิตคือธรรมารมเนี่ยเราฝังใจกับเรื่องนี้มาก แมันก็จะคอยดึงเราไปจากเรื่องที่เรามารู้อยู่ที่เราหมายใจเป็นธรรมดาสิ่งที่เราทำก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามเรามีสติมีสติประเด็นแรกก่อนถ้าเราไปคิดแล้วเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ทำให้เราเสียใจเราก็จะมีความเสียใจถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ทำให้เรารุ่มหลงก็จะมีความรุ่มหลงถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ทำให้เราโกรธเราก็จะมีอารมณ์โกรธเกิดขึ้น จิตของเราก็จะมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่เรานึกถึงนั้นแสดงว่าเราตกเป็นทาสของสิ่งสิ่งนั้นจิตรองเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็เพราะสิ่งนั้นมากระทบในวิธีแก้ทํำยังไงพระเจ้าบอกว่าให้เอามาไว้ที่เสาเกินเสาหลักของจิตคือลมหายใจแต่ทีนี้เอามาผูกไปแล้วเนี่ยไอสัตว์พวกนั้นมันยังมีกําลังอยู่จระเข้ก็ยังมีกําลังอยู่งูก็ยังมีกําลังอยู่มันก็จะดึงเราอยู่นั่นแหละดึงเราไปได้ นะเพราะความที่มันยังมีกําลังอยู่เพราะในขณะที่เรามาฝึกลหมหายใจของเราให้มารู้อยู่ที่เดียวเนี่ยมันจะดึงเราไปมันจะดึงจิตของเราไปแน่นอนทีนี้ว่ า, เ, าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรานึกได้และนึกได้โอ้โอ้ฉันต้องมารู้ลหมหายใจแล้วแต่ฉันปล่อยความคิดนั้นซะคือไม่ไหลาตามไปถ้าเมื่อไหร่เราไหลาตามไปเนี่ยเรามีแต่จะเพิ่มกําลังให้สิ่งนั้น ไปคิดอยู่นั่นน่ะโอ้มันเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้คงเป็นมั่วอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆเลยไปละไปละมีแต่จะเพิ่มกําลังให้ฝ่ายฝ่ายนั้นแต่แต่ถ้าเมื่อไหรเรานึกได้ว่าโอ้ฉันต้องกลับมารู้ลมหายใจนะวางเรื่องนั้นซะแตนะ่สิ่งนั้นจะค่อยมีกํำลังลดลงกํำลังลดลงเราไม่ต้องพูดเลยมากเอาตัวเราเองแตนะ่ถามว่าไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าผ่านไปสัก2ปี3ปี5ปี10ปี20ปี นะความจําเรื่องนี้เนี่ยมันจะค่อยลดลงลดลงน ะ, อ, ะอย่างเรื่องที่เป็นอดีตที่เราคิดว่าโอ้อย่างสมัยเด็กๆอ่ะคนมาแย่งของเล่นหรือว่ามาตีเราอย่างเงี้ยเราจําฝังใจจําไม่ลืมเลยนะหรือว่าคู่รักอย่างเงี้ยสมัยวัยรุ่นคุณรักกันมากอ่ะพอเลิกกันปุ๊บโอ้จําฝังใจจําไม่ลืมแล้วนะพอผ่านมา5ปี10ปีเอาไม่ต้อง5้าปีสิบปีเอาสอปีเท่านั้นเองเออเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องจืดๆไปแล้วนะัะนั่นก็เพราะว่าเรา มีเรื่องอื่นที่เราไปสนใจนะจิตเราไม่ได้ไปสนใจคิดเรื่องนี้อยู่อย่างเดียวแนะทำให้มันอ่อนกาลังลงไปอ่อนกาลังลงไปแต่นี่กรณีตรงข้ามกันก็มีคือบางคนอย่างเงี้ยเรื่อง10ปีแล้ว20ปีแล้วก็ไม่ลืมสะกทีนะจำฝังใจอยู่นั่นก็มีนั่นเพราะว่าเขาคิดเรื่องนั้นอยู่ทุกวันทุกวันทุกคืนทุกปีทุกเดือนทาอยู่นั่นนะ่ะทาซ้าๆย้ำๆเรื่องนั้นก็มีกาลังเหนือจิตของเรานะ พระพุทธเจ้าเคยบอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือจิตแลคือในกรณีเนี่ยดูได้อย่างชัดเจนว่าเราไม่มีอำนาจเหนือจิตของเราเองนะเราไม่ต้องการคิดเรตอนเนี้จะอยู่กับลหมหายใจได้ไหมโอยมันไม่ได้ไว้มันไปคิดเรื่องอื่นไว้เราไปคิดถึงเรื่องลูกเรื่องผัวเรื่องญาติเรื่องเมียเรื่องประเทศเรื่องนั้นเรื่องนี้เอา้าทำไมันไม่คิดไปทั่วเลยให้สั่งให้มันนิ่งๆมันกลับไม่นิ่งนะหรือเวลาที่เราต้องการคิดงาน เรื่องในเรื่องหนึ่งที่มันคิดไม่ออกคิดไม่ได้ทําไม่ถูกสักทีจะอย่างง่ายๆจาชื่อคนน่ะจําชื่อคนคนเนี้ยโอ้ยคนคนนี้เห็นแต่โดนแล้วนะมันชื่ออะไรนาะนึกไม่ออกนั่นคือเราสั่งจิตเราไม่ได้เราไม่มีกําลังจิตที่จะสั่งจิตเราได้นะพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้เราเนี่ยฝึกในการที่จะเป็นผู้มีอํานาจเหนือจิตนั้นไม่ให้จิตมีอํานาจเหนือเราได้ นั่นเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือในคลองแห่งความตรีตรึกทั้งหลายจะท ำ, งงทำอย่างนั้นได้ทํำยังไงนั้นคือเราต้องฝึกในการจิตของเราเนี่ยฝึกเข้าฝึกออกฝึกดํารงอยู่นะฝึกให้รู้จิตฝึกปล่อยวางสิ่งนั้นปล่อยวางสิ่งนี้ให้มารู้อยู่กับลมหาใจอย่างเดียวอยู่เรื่อยๆมันจะทําให้จิตของเรามีกําลังขึ้นมาได้อย่างในกรณีของเวลาที่ผ่านไป2ปี5ปีเราลืมเรื่องที่เราคิดว่าโหยสาหาสาัสการในชีวิตของเรามาก เราฝึกจิตในการที่จะไปทําสิ่งอื่นนะคิดเรื่องอื่นทําอย่างอื่นไม่สนใจสิ่งที่ผ่านมาแล้วแต่ทําให้เราปล่อยวางสิ่งที่ผ่า น, านมาได้นะถามท่านผู้ที่เจ้าของคำถามเนะ่ถามว่าสิ่งนี้เราคิดถึงอยู่ตลอดเวลาไหมนะหรือว่าหรือว่าคิดถึงบางเวลานะคิดถึงเฉพาะเวลาที่นั่งสมาธิตอนกินข้าวคิดถึงไหมนะถามอย่างนี้ถอบว่า บางครั้งข่าวที่ไปหินหูภาพมันก็คือว่าเป็นคําสั่งนะคําคเบาของคนได้สั่งไว้ว่าเมื่อหน้าตายไปแล้วฮิตบุญใชนะหคือว่ามาทําบุญทําอย่างแล้วก็มาคิดเรื่องเปิ้ลหูภาพอตอนนั้นมันมาเองเด็กน้อยมันมาเองแวบบแบบแบบแบบมาเลยแบบคือเพิ่นยังจับมือเบามา <ๆ S 2> ใช่ไหมโดยมาเองเล็กน้อยแบบเห็นคือพู้เกี่ยวจับมือไว้ตอนสั่งว่า เวลาหน้าตายแล้วให้ทําบุญให้จังสั้นจงสั้นเพราะว่าอันนี้เพิ่นวาวเองซาถูกคนโดยทื่อสิ้นวววาวว่าเวลาเพิ่นตายไปหั้นเพิ่นจะไปกินนันกินข้องกินที่ว่ามีซื้อร่างติดอยู่ในที่เพิ่นเห็นนะนะเวลาเพิ่นจิไปจับละอันไฟมันออันไม้หมือเพิ่นละโบซามากินข้องกินนั่นใดแล้วเพิ่นสั่งไว้ว่าให้ทําบุญให้หน้าให้ฉันะเวลามาให้บุญที่กะ มันมันมันมาเองใช่ไหมถามถามว่าถามว่าเห็นเนี่ยเห็นตลอดไหมไม่ไม่ได้ตลอดถูกไหมไม่ไม่เห็นตลอดแสดงว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงใช่ไหมไม่เที่ยงเนี่ยคิดแล้วเป็นทุกข์หรือเป็นสุขก็จะทุกข์ลายกว่าสุขเป็นทุกข์เนี่ยเป็นทุกข์แล้วเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเป็นทุกข์นี่แหละคือประเด็น พอเราเป็นทุกข์แล้วเรายังไม่เห็นว่ามันเป็นอนัตตาพอเราเป็นทุกข์แล้วเราไม่เห็นว่ามันเป็นอนัตตาเราก็วางไม่ได้เรายังเห็นว่ามันเป็นอัตานี่ของฉันนะนี่นะาฉันนะนี่เขาสั่งไว้อย่างนี้นี่เป็นคําสั่งนะเราเห็นแต่ว่าเป็นของเราของเราของเราเราจึงวางไม่ได้เราเห็นว่าไม่เที่ยงยุใครใคก็เห็นตั้งแต่ก่อนสมัยพุทธเจ้าหรือศรีเนี่ยเขานั่งสมาธิเขาเห็นไม่เที่ยงเห็นเป็นทุกข์ไหมทุกข์ไม่งั้นเขาจะมาฝึกแก้ทุกข์ทำไมพวกฤาษีในสมัยประการ แต่เขาไม่เห็นความเป็นอนัตตาเขายังคิดว่าอันนี้ของเขานั่งสมาธิสมาธินี่ของเขาไอ้ภาพที่เห็นนี่ของฉันไอ้ภาพที่เห็นนิมิตรอดีอนาโกดินี่ฉันรู้ฉันเป็นฉันเห็นนะไม่เห็นเป็นอนัตตาเห็นเป็นแต่อัตตาใช่ไหมจึงไม่สามารถปล่อยวางได้เพราะบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะเห็นความเป็นอนัตตาได้นะคุณก็จะต้องทําปัญญาให้เกิดขึ้นนะไปทําสมาธิให้ได้ แล้วเราปล่อยวางสิ่งที่รู้คือเมื่อไหร่ที่เราวางความคิดนั้นวางปุ๊บเนี่ยปุ๊บมันอ่อนกําลังลงทันทีนิดหนึ่งจิตเราจะมีกําลังมากขึ้นนิดหนึ่งไม่ต้องพูดอะไรมากพอเรามารู้ลมหายใจแล้วไม่พอ5วินาทีเลยมันดึงเราไปอีกแล้วเอาไม่พอ5นาทีเอามันดึงเราไปอีกแล้วดึงไปอีกแล้วปุ๊บถ้าเราไปเพลินกับมันอีก10นาทีมันมีกําลังมากกว่าเราละเราทําไงเรานึกได้ปุ๊บเราปล่อยซะแล้วเรามาอยู่กับลมหายใจปุ๊บ สิ่งนั้นจะมีกําลังอ่อนแรงลงไปนิดหนึ่งจิตเราจะมีกําลังมากขึ้นอีกนิดหนึ่งอีก2องนาทีอีกกลับไปคิดอีกแล้วเรานึกได้ปุ๊บก็ปล่อยคิดไปหนึนาทีคิดไป3นาทีแล้วเรานึกได้ปุ๊บโอ้ฉันต้องมาอยู่กับลมหมยใจฉันต้องทําบุญตรงนี้ก่อนแล้วฉันอ่อยเธอวางปุ๊บมาอยู่กับลมหายใจจิตเราจะมีกําลังมากขึ้นหน่อยหนึ่งจิตเขาจะมีกําลังอ่อนลงไปนิดหนึ่งสิ่งนั้นนะส <saben> <vit> ิ <avent mental Sure> <iti> ่งนั้นจะมีกําลังอ่อนลงไปนิดหนึ่งชักเย่กันอยู่เงี้ย จะค่อยๆกันอยู่อย่างนี้เท่านี้เองนะเราจะทําจิตให้เราค่อยๆมีกําลังได้แในะช่วงเวลาที่เรามาคิดเรื่องนี้นะจากที่คิด10นาที20นาทีจะค่อยลดลงลดลงเหลือคิด2นาทีสานาทีจนกระทั่งเหลือไม่คิดเลยจากที่เรานั่งสมาธิได้1ชั่วโมงเนี่ยทำจิตให้สงบได้แค่10นาทีนะจะค่อยๆขยายออกเป็นครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมง40นาที50นาทีได้แตนะ่แค่เรามามีสติ นะอาการที่เรานึกได้ว่าโอ้ฉันต้องมารู้ลมหายใจเนี่คือสติคือความระลึกได้คือระลึกอย่างเรานึกถึงชื่อคนนึกถึงคนนั้นคนนี้เนี่ยนะเป็นสติแต่ถ้าสัมมาสติสัมมาสตินะคือความระลึกชอบเนี่ยก็คือมานึกถึงลมหายใจใช้กายเป็นฐานที่ตั้งก็ได้ใช้เวทนาก็ได้เป็นฐานที่ตั้งในการระลึกถึงใช้จิตก็คือทั้งหมดนี่มันมารวมอยู่ที่ลมหายใจนะมันรวมอยู่ที่ลมหายใจ ที่เดียวมีหมดทุกอย่าง7อย่าง4อย่างนี้มีหมดแต่ประนั้นถ้าเรามานึกถึงอยู่เรื่อยนะนะคือมันพูดง่ายแต่นะเวลาทําจริงๆมันก็จะมีความท้าทายบ้างบางประการนะเราค่อยๆแก้ไขไปง่ายชินบันทีบงคลคิดว่าไอ้นี่มันทางมะผลนิพพานนี่มันง่ายแค่นี้อหรอไม่ถูกมั้งฉันน่าจะต้องคิดนะนต้องคิดถึงอดีตนานะคตบ้างสิคิดถึงทําจิตให้เป็นแสงสว่างอะไรต่างๆโอ้ยไม่ใช่งั้น ทำทำต่อไปได้น้อมนอมนอ ม, นอมอัสการพระอาจารย์ที่เคารพเราตื่อย่างสูงเขาน้อยข้อเรียนธรรมอาจารย์เพราะว่าขณะนี้เขากําลังฝึกฝึก เ, กเกี่ยวกับอามีปาจจณาเรื่องเกี่ยวกับอนาปานตติเขายข้อเรียนธรรมาในขณะที่เขา วิปัสนากรลังปฏิบัติวิปัสนานันยูฮานาพารสตินัน ย, นนนยูมันเ ก, เกิดอารมณ์ที่ขึ้นมาเกิดความรู้สึกในะขณะ ท, ที่ปฏิบัตินันยูเป็นะปต้นว่าลมหายใจมันน้อยล ง, ล ง, ลงน้อยแบจุดจุดกาหนดบุได้ว่ามันมันเข้าเรือว่ามันออกแล้ววันนี้มา วิตกว่ามันจะมีออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงจะตายไหมปปออจะตายบอกเพราะว่าคนคนตกน้ำคนจมน้ำสิบนาทีมันก็ตายแล้วถ้ามันเกินกว่าสิบนาทีมันจะมันจมันจะมันจะมันอันตารายนจะมันจะมันจให้สบายใจได้เลยมันจะมันจะมันจะมันวัดถ้าตนยก็ัายในวัาา น, วเนเะมัสจะันจรมัจะมับจะมยนจามรนจะมันจนจนมันจันจะยันจะนนจะมันจมันมัน มันจะมีมันห้าเกิดขึ้นบ่อเสน่ห์เขาด้แล้วอีกอันนึงขนาดมันมีความรู้สึกว่าตัวนี้มันเบาเบาขึ้นว่าตัวเองนี่เหาะโดยเอามือมาลูพื้นแปลว่าโอ้มันยังคือเก่าอยู่นะบางครั้งเราได้ยินเสี่ยงเสี่ยงไกลเสี่ยงจึกจุกยังยังอยู่ไกลไกลมันได้ยินอือันนี้มันมัน แมนยัง่งอะไรยักษูโจักว่ามันมีซื่อบอแล้วมันเป็นประโยชน์ก็เห่าบอที่หอบรู้สึกรู้สึกแบบนั้นขนาดเอาไล่ไประเด็ประเด็นอันแรกที่ได้ยินเสียงจิ้ง จ, งจกอยู่ไกลๆเนี่ยนะ<ล>คือเป็นลักษณะของการที่เราไม่สนใจคือเหมือนกับว่าเสียงจิ้งจกไม่ได้อยู่ไกลๆหรอกเสียงจิ้งจ ก, กก็อยู่แถวนี้แหละแต่ว่ามันไม่กวนจิตของเราพระพุทธเจ้าเคยองคงปู่ชาเคยยกตัวอย่างสมมุติหนังสืออยู่ตรงนี้นะเราก็เห็นหนังสืออยู่ แต่ว่าเราไม่เอื้อมไปจับมันมันก็อยู่ส่วนมันเราก็อยู่ส่วนเราพระเจ้าเคยทํำมืออย่างนี้เอามือแหวกไปกับลมอย่างนี้ลมก็อยู่ส่วนลมมือก็อยู่ส่วนมือถูกันอยู่แต่ว่าคนละส่วนกันนะจิตเราก็อยู่ที่นี่เสียงมันมากระทบแต่มันไม่กวนจิตเรานั่นคืออาการของอาการที่มีเสียงระงับไปนะเสียงระงับไปอันนี้อย่ที่1นึ่งกรณีที่ว่าลมหายใจมันแผ่วเบาลงแผ่วเบาลงจนกระทั่งไม่มีเลยนะ อ, อาการที่เป็นผู้มีกายรงนะงับเป็นผู้ที่ทำการปรุงแต่งทางกายให้รงนะงับการปรุงแต่งทางกายที่ระงับเนี่ยก็ยังมีการหายใจอยู่กนะารปรุงแต่งทางกายที่ระงับไปแล้วจิตที่ระงับไปเนี่ยพอกายระงับพระุทธเจ้าบอกว่าจิตที่เป็นตรงนี้เป็นจิตที่มีสุขนะพอมีจิตที่มีสุขแล้วนะเป็นตัวบ่งบอกถึงระดับของความมีสมาธิ ถ้าเรามีปิติสุขเกิดขึ้นทั่วตัว น, นี่ก็เป็นลักษณะของสมาธิในระดับที่1เป็นอย่างน้อยนะเพราะว่าเสียงเนี่ยไม่มากวนใจเราเสียงก็เป็นส่วนหนึ่งพะพุทเจ้าเคยบอกว่าเสียงเนี่ยเป็นเสี้นน้ำของฌานที่1ทีนี้พอมีเสียงเกิดขึ้นแต่ยังบางคนได้ยินเสียงตุ๊กแกอยู่ข้างหลังเนี่ยกับแก้กับแก้มาเนี่ยหุ้ยกลัวมากเลยทําจิตคิดไปเรื่องอื่นนคิดดูลวยใหญ่ไม่ได้ หลายๆครั้งที่ผ่านมาก็เคยมีแสดงว่าเสียงนี่ยังกวนใจก็อยู่นะแต่ในกรณีนี้เสียงไม่เป็นกวนใจเราแล้ ว, ลวนะเสียงไม่เป็นเส้นหนามแล้วนะแล้วก็มีการปรุงแต่งทางกายที่ระ ง, งับลงไปนะก็อันนี้ก็เป็นลักษณะของสมาธิระดับหนึ่งแล้วก็อาการที่มีตัวเบามีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จากการที่ปรุงแต่งของจิตนะจิตนี้ จริงๆแล้วตัวเบาเนี่ยเป็นอาการของปีติก็ได้เป็นอาการของสุขก็ได้แต่ทีนี้เราจะทําจิตยังไงต่อไปแต่ถ้าเราเหมือนกับไม่มีลมหายใจแล้วกายเหมือนกับไม่มีการหายใจอยู่แล้วเนี่ยคือให้เราจิตของเราอยู่นิ่งๆที่เดิมต่อไปนะให้อยู่นิ่งๆที่เดิมต่อไปแตนะพระ duc เจ้าพูดถึงหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยก็หมายถึงการหายใจการหายใจยังมีอยู่นะการหายใจยังมีอยู่แน่นอนไม่งั้นเราจะตายไปแล้ว ถึงตายในขณะนั้นเนี่ยจิตเราเป็นสมาธินะโอ้ยเราจะเป็นผู้ที่ไม่หลงไหลในการทําการละแน่นอนจิตนี่ก็ไปอย่างน้อยอยู่ในพรหมโลกถ้าตายด้วยจิตที่เป็นสมาธิอย่างนั้นแล้วกเ็เป็นผู้ที่มีกายระงับเป็นผู้ที่มีการปรุงแต่งทางจิตถ้าทําให้ระงับลงไปให้มารู้อยู่แต่กับการหายใจ นะโดยให้จิตของเราอยู่ที่ตำแหน่งเดิมก็จะทำให้ละเอียดลึกซึ้งยิ่งยิ่งขึ้นไปได้คืออันนี้ก็ระดับหนึ่งนะมันก็จะมีที่ละเอียดลงไปกว่านี้อีกล ะ, ละเอียดแล้วก็มีละเอียดอีกดังนี้แล้วอีกอันหนึ่งเขาอะไรอาจารย์อันนี้โบแมนเกิดยุนในเดียวนี้มันเกิดเป็นมานานแล้วแล้วสิ่งเหล่านั้นมันก็ลอน ง, งับไปแล้วโบมีแล้วเขาเคยนั่งเวลานั่งสมาธิอยู่ แล้วรู้สึกว่าตัวเองนี่มันนั่งอยู่ไหนะจะลวดมีเสี้ยงันลังเท้าก็มีเสี้ยงกระโปรงมีเสี้ยงเวลาขณะที่มันมันเป็นนะแล้วมันห่อไปห่อไปคนนั้นขยักกอ้วมันห่อไปใส่มันไปไปเป็นเห็นบ้านเห็นเมืองเห็นส่วนเห็นงามเห็นผู้เห็นคนกันเลยนะเออเห็นแล้วก็คนพวกนั้นโบเบเิร์เขาเอาก็บเบิร์มันไปห่ะไปห่อไ ป, อไ ป, อไปแล้วเวลาใดที่มัน มันใครจะจะรู้สึกตัวเขาเขาตั้งสติใหม่มันจะขึ้นเหมืออีกแล้วอันนั้นมันยัง่งก่นเลแล้วเขน้อยได้ยินว่าแล้วเขน้อยมาติดอันนั้นอจะโดนเติบนานส้มควรแล้วเขน้อยมาฟังอ่าอาจารย์พุทธทาตเพันบัญญายแล้วว่าสิ่งที่เห็นมันเห็นจริงแต่มันโบแมนคล่องจริงแล้วให้ละให้พิจารณา แล้วก็ปล่อยวางแล้วคนนั้ยกับปิจารณาจากนานมาจะโบเห็นอีกกับโบเห็นมาตลอดเท่าปัดอันนี้มันมันมันเหตุการณ์เน่ยอันนี้เป็นอะได้คนนั้นบอกเข้าใจอืันนี้มันตอบนี่มันตอบอันนี้ยตมาก็ไม่ทราบว่าเห็นอะไรคืออันนี้เราก็เห็นเองใช่ปะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าบอกอย่างนี้คือวันนี้มันวันที่สี่ของการปฏิบัตินะเนื้อหามันยังไม่ได้จบยังไงก็ตามก็จะอธิบายให้ฟังว่าพระเจ้าเคยยกตัวอย่างเขาเอาหญ้าไม้กิ่งไม้ในชมพูทวีปเนี่ยเอาไปเอาไปเผาเอายกไปยกไปทิ้งอย่างนี้ก็ถามภิกษุว่าเออเธอมีความกังวลใจในสิ่งเหล่านั้นไหม พิกษุท์ตางหลายก็ตอบว่าไม่มีเอาทำไมไม่มีก็เพราะว่าไม่รู้สึกว่าอันนี้เป็นตัวตนของตนในสิ่งเหล่านั้นพระพุทธเจ้าก็ยกตัวอย่างว่าเช่นเดียวกันนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไม่ใช่ของเธอแต่สิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เรารู้สึกเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ของเรามันเป็นสิ่งที่เราไม่ควรยึดถือเข้าไปด้วยความเป็นตัวตน ถ้าเรายังยึดถืออยู่ยังปล่อยวางไม่ได้เราก็จะนึกถึงมันอยู่เรื่อยๆมันอะไรมันอะไรประโยชน์ของมันก็คือพระเจ้าเคยพูดถึงประโยชน์นะถ้ามันทําให้เกิดความสุขโสมนัสขึ้นมาได้มันเป็นเรื่องที่พูดคุยอยู่ในกับคนอื่นให้ฟังได้นี่ก็เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นโทษของมันก็คือว่ามันมันไม่เที่ยงมันมีความเปลี่ยนแปลงไปได้้มันทําให้เกิดอีกมันก็ยากเกิดแล้วก็ไม่รู้จะอยู่ต่อไปได้แค่ไหน เพราะนั้นอุบายในการที่จะเราจะปล่อยวางสิ่งนี้ได้ไม่ให้มันมีโทษกับเราเนี่ยคือให้ปล่อยวางก็ซะแตนะ่อย่างที่ท่านพรทธทาส พ, พูดนะถูกแล้วนะซึ่งก็เอกมาจากที่พระเจ้าได้ตรัสเอาไว้นั่นเองนะว่าเห็นสิ่งใดก็ก็ให้วางนะตาหูจ ม, มูกลิ้นกายใจใเราวางซะวางเนี่ยกลับจะเป็นประโยชน์มากกว่าด้วยซ้ำนะคือถ้าเราถือเอาไว้เนี่ยอย่างดีที่สุดเราก็เข้าใจว่ามันคืออะไรแต่ถ้าเราวางได้ เราจะเข้าใจสิ่งที่ยิ่งไปกว่านั้นนะักบุญชาวพูดถึงการที่เราปล่อยวางได้นะเรานะปล่อยวางได้พวกนี้จะทำให้เกิดการแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นเอเนกเกิด ใ, ให้เกิดการเข้าใจนะซึ่งธาตุมากมายมีความแตกฉานในธาตุที่เป็นไปกว่านั้นอีกเนะพราะนั้นถ้าเราปล่อยวางไปจิตของเราเนี่ยไม่มีภาระพอเราปล่อยวางความคิดตรงนี้ได้นะ จิตขอเราไม่มีภาระเป็นจิต ท, ที่เบาเป็นจิต ท, ที่มีกําลังเนี่ยเราจะเห็นสิ่งที่มันยิ่งละเอียดไปกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นคําแนะนําที่ท่านพุทธทาสได้บอกไวนะ้นั่นก็ถูกต้องแล้วแต่ซึ่งสอดคล้องกับพุทธวจนะที่บอกว่าให้ปล่อยวางความคิดนั้นเสียแล้เราก็ให้เราทําจิต ท, ที่เป็นสมาธิให้เกิดขึ้นเราจะเห็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึงยิ่งไปกว่านั้นเห็นแล้วก็วางอยู่ดีรู้แล้วก็ปล่อยวางอย่างนี้ ข้านอมรัาช ก, การไปนะข้าน้อยยักข้อถ้ำยักแหลกไปยักขอให้อาจารย์แนะนําสิ่งที่ขน้อยปฏิบัติมาคือสมาธิคืออาจารย์ว่าเบึ้งลมหายใจเนาะบางครั้งขน้อยจะเบึงบ้งเบึ้งลมหายใจไปแล้วมันจะบื่อเฮนเลยต่อมาคือข้องโค้ชเกลโิ้ชแกลเละแล้วต่อมาว่าเบึ้งท้องผงแหบของแวนเนาะแล้วมันก็หมดไปเลย หลังจากนั้นเห็ุให้ขะน้อยบางมันจะบ่มีอันทีมาเหตุให้หูข่มหูสึกเลยกํามือเขาซึกบ้งโบนันแต่ว่าคันท่าว่ากำมือเขาเอาเอากายเอาอกายนี่แหละกํามือเขาไปสิแล้วก็คอยคอยคือหูศึกคืนมากัน่ะแล้วก็ค่อยกํำจึงที่แล้วสมาธิมันค่อยเข้าใดขะน้อะเพราะว่าเบิงหลุมให้ใจกระแปดแปเดียวมันมันกระหมดแล้วมันกิด แบบมันนิ่งๆชื่อเส้นมันจะโบโบมีลมหายใจเลยค่ะนายแล้วคุณนายจะใช้เอามือกำอย่างนี้แล้วจะสมาธิมันจะเข้าได้ดุนๆกันเลยค่ะนายขนาัขนถ้ขนาขนาันถ้าปล่อยปล่อยเบิงเบิงมันโบเห็นลมหายใจนั้นแล้วมันจะมันจะนิ่งไปเลยบางเชื้อมันก็จะเข้าไปกันเง้าหลับไปเลยค่ะนายก็าอาจารย์แนะนําี่ตอืบ <c oughs> <c oughs> อคำถามคือว่าถ้าลมหายใจมันสงบไปแล้วแล้ว เ, เอ๊มันเหมือนกับมันจะหลับใช่ไหมมันเหมือนกับนิ่งไปอยู่เนี่ ย, ยอเราจะทํายังไงต่อไปแวิธีที่แก้ปัญหาในเบื้องต้นก็คือว่าเอองั้นเราให้มันอยู่กับกายในเรียมวลเดิมๆใช่ไหมถา่ว่าทําอย่างนั้นถูกต้องหรือไม่ต้องบอกงี้ว่า คือสมาธิเนี่ยนะพอเรามารู้ลมหายใจเราจิตเราสงบไปแล้วมันมีที่ละเอียดไปกว่านั้นอีกัคืออย่างสมมุติว่าจิตเรานิ่งไปอย่างนั้นเนี่ยว่างๆเนี่ยมันมันไม่ได้ว่างหรอกมันมีอะไรอยู่ที่เรามองไม่เห็นเช่นว่ามีปิติอยู่ไหมมีความสุขอยู่ไหมอุเบกขาหรือเปล่าตรงนั้นคุณบอกได้ไหมนะหรือว่าเป็นสุขที่เกิดจากอุเบกขาหรือเป็นอุเบกขาเฉยๆหรือว่าอันนี้มันเป็นความสงบระ ง, งับ หรือว่ามันเป็น เ, เป็นอะไรอีกคำหนึ่งที่พุทเจ้าใช้คือปัสสทินะความสงบระ ง, งับนี้หรือเปล่าแล้วก็ถ้าเรารู้ลมหายใจละเอียดจนขนาดนั้นแล้วเนี่ยเราไม่ต้องมาอยู่ในอิริบทหยาบๆอีกพนะพุทเจ้าเคยเปรียบเทียบกับคนที่วิ่งมาเนี่ยวิ่งมาเอา้าเฮ้ยกูวิ่งทำไมวะกูเดินก็ได้นีวเราก็เดินเอา เดินแล้วก็บอกเอ้าเฮ้ยกูเดินทําไมวะกูยืนก็ได้ดีกว่ายืนอยู่เฉยแล้วก็บอกเอ้ากูจะเยืนทําไมวะุณนั่งดีกว่านั่งแล้วก็บอกเออแล้วกูจะนั่งทําไมกูนอนดีกว่าเพราะฉนั้นพอเรารู้เราหมายใจไปอย่างเงี้ยอย่างอย่างง่ายๆเรามาปฏิบัติที่วัดเนี่ยนะเออกูจะไปทํากินไปหาเที่ยวเล่นคนนี้นคนนี้กูจะทําไปทําไมวะกูมาวัดดีกว่าพอกูมาวัดเสร็จปุ๊บ ว่ากูจะไปอยู่อะไรยากๆตรงนี้กูก็อยู่ได้ไม่ต้องวุ่นวายแกูก็อยู่ง่ายๆของกูอย่างเงี้ยก็ละเอียดลงไปนะเพราะกูอยู่ง่ายๆแสดงว่ากูก็ดูลมหายใจไปดูไปดูไปว่าลมหายใจนี่มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะไม่ต้องรู้ลมหายใจแล้วกันให้มันอยู่นิ่งๆมันละเอียดลงไปนะไอ้ที่ละเอียดลงไปแล้วเนี่ยมันมีอีกนะอย่างเงี้ยนะเราอย่าไปกลับไปที่อริบทหยับหยับนะไม่ต้องกลับไปที่อริบทหยับหยับทีนี้ถามว่าพอมันละเอียดลงไปแล้วอ้าทำไมบางทีมันเหมือนกับ หลับไปแสดงว่าเรายังยังไม่ชานาญเราไปทางผิดนะเราไหลกลับไปที่นิวรนะเราก็ให้ดูให้ละเอียดดูให้ลึกซึ้งดูให้แยบคายนะจะทำอย่างนี้ได้ทำยังไงพุทธเาบอกว่าให้ทาให้บ่อยๆทำให้ชนาญนะให้ฉลาดในการเข้าเรามาถึงจุดนี้เราทำยังไงมาไอ้เรื่องลมหายใจเนี่ยนะให้ฉลาดในการออกนะให้ฉลาดในการดารงอยู่ ใ ห, ให้ทําอยู่อย่างต่อเนื่องทั้งเช้ากลางวันเย็ น, นให้ทําสมาธิโดยเอื้อเฟื้อโดยติดต่อเหตุปัจจัยอะไรที่จะทําให้เราทําให้ได้ละเอียดยิ่งขึ้นเช่นการรับประทานอาหารที่พอเพียงให้กินแล้วก็มีท้องมันท้องอยู่เสมอหรือว่าการที่ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆการอยู่ในเสนาสนะป่าพวกนี้จะทําให้ จิตของเราที่ละเอียดลงไปแล้วเนี่ยเราเรารู้ได้คือบางคนเนี่ยทำอัปปนาสมาธิให้เกิดขึ้นได้หรือจิตรวมลงไปเนี่ยโอ้ยทาได้ครั้งเดียวทําไม่ได้อีกแล้วนะคือไม่มีความชํานาญแต่ในที่นี้เราจะต้องทําจิตของเราให้ชํานาญได้ลองนึกดูสิแลเปรียบเทียบกับคนอื่นนะที่เขาพอหลับตาดูลงใบใจปุ๊บเขาไปคิดเรื่องอื่นแลนะ้เราถึงขนาดที่ว่าเราไม่ต้องคิดได้แล้วนี่ละเอียดกว่าหลายๆคนนะ่บางคนคิดเรื่องอื่นเนี่ย คิดยังคิดเรื่องที่เป็นอกุศลอันนี้ก็ยังดีไม่เท่ากับคนที่คิดเรื่องอื่นที่เป็นกุศลคนที่คิดเรื่องที่เป็นกุศลนี่ดีกว่าคนที่คิดเรื่องไม่เป็นกุศลนะคือเหมือนกับคุณเดินมาแล้วเอ้ยเราจะเดินทาไมเรายืนดีกว่าพอยืนแล้วเอ้ยเราจะยืนทำไมเรานั่งดีกว่าตอนที่เราจะคิดเรื่องดีๆเอ้ยเราไม่ต้องคิดก็ได้เปลืองพลังสมองเราก็อยู่เฉยอย่างนี้จากเปลี่ยนจากอิริยบทที่หยาบ นะให้เป็นอิริบทที่ละเอียดละเอียดนะครับพระเจ้าใช้คําอย่างนีนะ้คือเราต้องรู้จักสังเกตนะรู้จักที่จ ะ, ะทําจิตของเราให้ได้นะวาราจิตของเราเราต้องฉลาดในวาระจิตของตัวเองนะพระเจ้าเคยเปรียบเทียบกับวัยรุ่นนะที่เขาเป็นชายหนุ่มหญิงสาวที่ชอบความสวยงามเนี่ยแล้วก็ถ้าไปดูในกระจกหรือว่าที่สองกระจกเนี่ยนะ ถ้าเห็นตัวเองว่าเป็นตุ่มเป็นอะไรเนี่ยนี่บีบออกนะเป็นสิวนะสมัยก่อนเป็นวัยรุ่นเนี่ยถ้าใครเป็นสิวนะโอ้ยยิ่งส่องดูยิ่งบีบออกนะสิวหัวดําสิวแรงต่างซื้ออะไรมาทาซื้ออะไรมาใช้แต่ถ้าไม่เป็น เ, นเราก็สบายใจแตนะ่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าเฮ้ยทาไมเราถึงไม่รู้ว่าต่อไปเป็นอะไรนะนั่นก็คือเพราะเรายังทําให้ชํานาญอันนี้นที่หน่งอันะที่สองคือเรายังไม่เห็นโทษในสิ่งที่สิ่งที่เราอยู่ในปัจจุบัน อย่างคนที่เขาคิดเรื่องที่ดีคิดที่คิดเรื่องที่เป็นกุศลเนี่ยเขายังไม่เห็นโทษของความคิดนั้นเขาจึงไม่ยินดีในการที่ไม่ต้องคิดสมมติพระพุทธเจ้าบอกตัวอาตมาบอกว่าเออไม่ต้องคิดนะไม่ต้องคิดอะไรมีฝรั่งคนหนึ่งเขาบอกเอ้าทำไมไม่ต้องคิดอะไรอ่ะม่ต้องคิดสิคิดปรุงแต่งเรื่องการงานดีๆสร้างสรรค์สังคมต้องคิดแต่เพราะว่าเขายังมองไม่เห็นโทษของความคิด ซึ่งบางทีคิดดีก็มีคิดไม่ดีก็มีแต่บางทีความคิดไม่ดีก็โผล่ขึ้นมาที่จะดีกว่าก็คือคุณไม่ต้องคิดคิดไม่ต้องคิดแล้วทาจิตให้มีกําลังแล้วก็น้องไปคิดเหมือนก็จะคิดตายเพราะฉะนั้นคือเราทําให้ละเอียดทําให้ลึกซึง้งทําให้ละเอียดแยบขายยิ่งขึ้นในเรื่องของสมาสมาธิเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยบอกว่าถึงแม้สมาธิขั้นใดขั้นหนึ่งขั้นไหนก็ได้นะ ที่เราทําแล้วเนี่ยก็จะเป็นฐานที่ตั้งให้ก้าวลงสู่นิพพานได้เหมือนกันอย่างไรก็ตามการที่ทําจิตให้ละเอียดนึกซึ้งลงไปมันก็ดีประเด็นที่ที่จะต้องทําให้เกิดคือว่าพอทาจิตให้เป็นสมาธิแล้วจิตนิ่งเราไปแล้วเราต้องเห็นอะไรคือทําสมาธิเนี่ยต้องเห็นตามที่เป็นจริงเห็นตามที่เป็นจริงว่าอีนี้มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะเห็นตามที่เป็นจริง ปล่อยวางสมาธินั้นได้ปล่ยวางสมาธินั้นได้แล้วก็จะละเอียดเป็นขั้นลงไปละเอียดเป็นขั้นลงไปเล ย, ยข้อคําท่านที่ซ่องค่ะคือคันท่าเบิงลมหายใจจนหมดแล้วเนาะขณไสจะเอาอันคือตามดูอะจะเบิงไก่เนื้อเนาะเวลาคณไสว่ายไปใส่ขณไสก็อือมเพราะว่า รมให้ใจขน้ยจะบวได้เบิ่งแล้วจะชึ้นทางบวกนันเนี่ยหลังจากขน้อยปฏิหลังจากมันเป็นได้อยู่ประมาณสอง ว, วันแล้วมันจะเห็นอันนี้มันจะเป็นนิมิตหรือว่าเป็นเป็นอย่างขน้อยยักให้พอาจารย์แนะนําติด อ, อันติดตอนตะเวน ข, นขึ้นขน้ยก่อนตะเวนจะขึ้นต้องไลยไปเบิง่งยางไปเบิ่งแล้วกัมีขวมอิม่มเ อ, อิบขน้อยอยู่ในหั่นประมาณสิบกว่าวันนี่ไลยเป็นย่างมันไขย ในตะเวนขึ้นนั่นก่อนหนเมื่อตะเวนขึ้นแล้วเแบบ็บมีความสุขที่สุดเบสิคไงมันเป็นอาการได้ไงคอยอาจารย์แนะนำคือสมาธิเนี่ยเราทาจุดประสงค์ของการทาสมาธิเนี่ยเพื่อที่จะปล่อยวางให้ได้ เ, เห็นตามที่เป็นจริงจุดประสงค์ของการเห็นตามที่เป็นจริงคือเพื่อปล่อยวางให้ได้ เพรา ะ, ะนั้นการทำสมาธิหรือการฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้ยึดถือเอาไว้ไม่ใช่เพื่อให้ยึดถือเอาไว้เหมือนถ้าเราจะยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าโอ้นี่มันสวยงามอันนี้มันดีอันนี้ฉันชอบอย่างนี้โอ้ยแม้จริตเนี่ยหลายคนบอกว่าเออทีนี้มันจะถูกจริตของฉันไหมขอโทษเถอะจริตนะก็ต้องวางเหมือนกันจริตไม่ใช่สิ่งที่ต้องยึดถือเอาไว้ว่าโอ้ฉันจริตอย่างนี้ฉันต้องทำวิธีนี้จริตคุณหรือหว่าคุณก็ต้องวาง ไม่มีอะไรที่เรายึดถือแล้วเราจะหาโทษไม่ได้ไม่มีเลยลถึงแม้ไอความที่ว่าเออฉันเป็นอย่างนี้ฉันเป็นไม่เป็นอย่างนั้นไอสิ่งตรงนี้ก็ต้องวางเหมือนกันปล่อยวางแล้วเราจะามีความทุกข์น้อยลงเราจะมีความสุขมากขึ้นเพราะฉะนั้นอุบายวิธีใดที่จะทําให้เราปล่อยวางได้เราก็ใช้อุบายวิธีนั้นวิธีที่พระเจ้าให้ไว้เป็นคร่าวๆก็คือศีลสมาธิปัญญา นะเราเดินตามหลักของศีลสมาธิปัญญาสนามไม่จิตของเราเนี่ย <_ m akes> เห็นตามที่เป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางได้ทีนี้มันก็จะยังมีเรื่องที่จะต้องยึดถืออยู่ เ, ออเรื่องที่เราอาจจะยึดถื อ, อยังปล่อยวางได้ไม่หมดเราก็ค่อยๆทําไปค่อยๆทําไปนะทําอย่างไรเสียเราถึงจะปล่อยวางได้ เ, ออเรื่องการปล่อยวางเนี่ยมันเหมือนกับไม่สนใจนะคืออย่างสมมติ ตัวมาเองเข้าสมาธิเนี่ยบางทีเราก็มีความคิดวับ ว, ว, วบแวบๆเกิดขึน้นเหมือนกันโอ้เดียวต่อไปฉันต้องไปเตรียมกันเทศอันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเอาเรื่องนี้มาให้ฟังเดี๋ยวต่อไปต้องไปค้นคว้าเรื่องนี้ถามว่าความคิดพวกนี้เรามีตลอดส ม, มัยเป็นคารวาสเนี่ยวินาทีหนึงคิด3เรื่องโอ้อไปที่นี่ต้องทําอบนี้ต้องกุญยคนนี้อย่างนี้ต้องเตรียมการอย่างนี้ต้องกุญยคนนั้นอย่างนี้เดี๋ยวต้องโทรศัพท์ก่อนวินาทีหนึงคิด3เรื่อง นะถามว่าเดี๋ยวนี้เป็นไหมคือสมองมันเป็นมาอย่างนี้มันมันยงใหญ่กันมาเป็นอย่างนี้รัศดาทํำยังไงคิดก็คิดไปมันแยกไปส่วนหนึ่งในอย่างกรณีของพ่อสิงแก้วเนี่ยได้ยินเสียงก็ได้ยินไปมันแยกไปส่วนหนึ่งเราก็อยู่ส่วนหนึ่งนะนัหนังสือก็อยู่ส่วนหนังสือเราไม่ได้แตะกันจนกระทั่งเราไปแตะมันนะความคิดก็คิดไปสมองมันก็วิ่งไปของมันนะสมองคือความคิดเนี่ยคือกระบวนการที่มี เขาเรียกว่าอะไรคอนเนคชันอยู่ในสมองเขาเรียกลิงที่เชื่อมอยู่ในเซลล์ประสมองเนี่ยนะมันจะมีะปลายประสาทที่เชื่อมกันเชื่อมไปเชื่อมมาเชื่อมไปเชื่อมมาเป็นแพทเทิร์นแพทเทิร์นเป็นรูปแบบเนี่ยมันก็จะเป็นความคิดถามว่าตรงนั้นเกิดไหมเกิดจิตเราเข้าไปรู้ไหมไม่สนใจเราไม่สนใจกันจะไม่สนใจอย่างพระทิตมีอยู่ตอนนี้เราสนใจไหมเราไม่สนใจเอาทำไมต้องไปสนใจเวลานั้นเวลาเดียวนี่งานมันยังยึดอยู่เราวางได้ไหมนะถามว่า อ, อย่างที่บ้านเราตอนนี้เป็นยังไง เราก็ไม่สนใจนะถ้าไม่ได้พูดถึง น, นี้เราก็ไม่ได้รู้ถึงเลยหรือว่าตอนนี้คุณรู้ไหมว่าน้ําหนักตัวคุณนั่งอยู่ที่ก้นเนี่ยรู้ตัวไหมเออก็ต้องพูดถึงค่อยรู้ตัวนะถ้าไม่ได้พูดนี่ไม่ได้รู้ตัวเลยเอาตอนนี้รู้ไหมว่าได้ยินเสียงแอร์เสียงมันดังอยู่เนี่ยโอ้โหเราก็ได้ยินเสียงแอร์อยู่ตลอดนะแต่เราไม่ได้สนใจเลยจนทั้งมาพูดถึงตอน น, น, นั้นเลยเพราะนั้นเราเลือกที่จะไม่สน ใ, สนใจได้นะคุณจะเลือกที่จะไม่สนใจได้มันเป็นทางเลือกนะ คือคนที่เขาเลือกไม่ได้ก็มีนะคือด่าปุ๊บด่าเราปุ๊บเนี่ยได้ยินเสียงเป็นด่าปุ๊บต้องสวนกลับวัดอันนี้คุณเลือกไม่ได้นะแต่ถ้าเราเลือกได้คือเราเลือกว่าเออฉันจะนิ่งก็ได้ฉันจะพูดดีๆกับเขากลับก็ได้ฉันจะเปลี่ยนเรื่องพูดก็ได้ฉันจะเดินหนีไปก็ได้อันนี้เราเลือกได้เพราะงั้นการที่เราจะเลือกทําตรงนี้ได้เนี่ยคือจิตของเราต้องไม่ยึดจิเราต้องปล่อยวางแต่เป็นจิต ท, ที่ปล่อยวางให้ได้จิตที่ปล่อยวางได้อย่างนี้ เกิดจากเหตุอะไรก็อาศัยเหตุในการที่เราคลายกำหนัดนนเราเห็นตามที่เป็นจริงเห็นตามที่เป็นจริงอาศัยเหตุอะไรก็อาศัยเหตุที่เป็นสมาธิ <c oughs> ทีนี้ว่าคือบางคนเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ําแม้กระทั่งว่าตัวเองมีปัญหาอะไรไม่รู้ด้วยซ้ําแม้กระทั่งว่าตัวเองมีปัญหาอะไรถ้าเรารู้ว่าเรายึดสิ่งนี้อยู่โอ้ยมัน แม่ทำไมเราถึงต้องมาดูไอ้นี่ตลอดอันนี้ดีแล้วนะดีแล้วนะบางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองยึดอะไรทีนี้พอเรารู้ว่าเรามีปัญหาอะไรอ่านี้พอแก้ได้นอย่างบริษัทข้อที่1เนี่ยบริษัทที่รู้รอบแรกเนี่ยรู้ว่าเออทุกมีอยู่นะรู้ว่าตัณหามีอยู่นะแล้วก็มารู้ว่าอ๋อตัณหานี้ต้องละนะทุกนี้ต้องกวนเข้าใจนะอย่างนี้นะถึงจะเข้าใจถูกต้องนะทีนี้ถ้าเรารู้ว่าเรามีอ่ามีสิ่งนี้ อันนี้เราพอจะแก้ได้เราค่อยเดินตามขั้นตอนต่อไปว่าเออถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นอ๋ออันนี้ต้องละนะอันนี้ต้องคุณทาให้เจริญนะเในสมมติเรารู้ว่าเรามีสมาธิอย่างเงี้ยเราต้องรู้ต่อนะว่าสมาธินี่เราต้องทําให้มากๆนะทําให้บ่อยๆนะทีนี้ถ้าเร า, าเรารู้ว่าเออเรายัางยึดสิ่งนี้อยู่นะอ๋อคุณต้องรู้นะว่าไอ้สิ่งที่คุณยึดอยู่เนี่ยคุณต้องวางนะที น, นี้พอเรารู้ไปขั้นที่2จนกระทั่งเรารู้ขั้นที่3ว่าอ๋อเราได้วางแล้วหรือว่าเราได้ทําให้เจริญแล้วอย่างง แล้วมันก็จะค่อยเป็นขั้นเป็นตอนไปต้องรู้ถึงสามรอบอย่างนี้นะฮัโล uh, น้อยข้อน้อมนอมมสักการพระอาจารย์ทุกๆประองค์ uh, ขน้อยข้อน้อมมาสักการท่ามว่าเวลาเ uh, ข้าสมาธิเข้าสมาธิแล้ว จะได้เอาอันจิตนันมาติดตามลมหายใจแล้วเวลานั้นมันจะ <c oughs> จิตมันก็จะจออยู่ใ น, นลมหายใจเวลานั้นมันจะจังเงียบแล้วมันเ ม, น ม, มื่อมาบ่มีสิง่งใดมารบกวนเราอันขอให้พระอาจารย์ท่านแนะนำให้น้นนนอย เดเอพบว่าควรจะเห็นเนื้อได้ต่อไปอิจพิจารณาอย่างได้เตเอก็หนพ่ อ, พอตอบสวงตอบปัญหาต้องตอบปัญหาสวงฟังเทศกัจจเทศให้ฟังอันนี้มันสวงตอบปัญหาให้อาจารย์ตอบปัญหาให้ฟัง แต่ว so uh ่าอาจารย์ว huh. ่เข้าใจคำถามเนี่ยผมว่าว่าแล้วก็ลืมแล้วต้องว่ายู่ซ้ำเหมือนกันนะไปอะไรก็พอนมมาตักการขนคะหน่อยเวลาก็ได้ฟังความแนะนำของพระอาจารย์คนที่แนะนำว่าถ้าเอาจิตมาจดจ่ออยู่อ่านจมูก แล้วดูเบิงลมให้ใจเขาออกแล้วเวลานั้นก็อขน้อยก็ได้เฮ็ดตามที่พระอาจารย์พูนแนะนําแล้วก็ได้เบิงไปเบิงไปแล้วจิตมันจะดูอ่านนะลมให้ใจแล้วก็มันจ ะ, แ, ะแบบว่าตุนตัวนี้มันจะเยือกเย็นไปแล้วก็เมื่อว่า อันคือว่าเป็นเบาๆแล้วก็บโบูหอันนันแล้วก็เอาจิตอันจิตจด จ, อ จ, อจอ่อบึ่งว่าว่ามันเป็นนะได้กันแทสแล้ ว, ม, วมันคือว่ามันคือมีความสุขมีอดินดีใจนะดีใจแล้วมันคือว่าอันก็เห็นอยู่ลมหายใจเข้าออกเห็นแต่รอดแล้ว จะจะควรพิจารณาอย่างได้ต่อนะคน้อยข้อทามผลคอห่ะผอโต๊ะแล้วก็แนะนำาขน้อยอีกควรเห็นแล้วได้ต่อไปเปรียบเหมือนคนคนหนึ่งเห็นคนอีกคนหนึ่งหรือเหมือนคนยืนเห็นคนนั่งหรือเหมือนคนนั่งเห็นคนนอนฉันใดก็ฉะนั้นที่เธอนั้น ที่เธอนั้นดำรงนิมิตเพื่อการพิจารณาตรวจตราเป็นสิ่งที่เธอถือเอาแล้วด้วยดีกระทาในใจแล้วด้วยดีส่งไว้ดีแล้วแทงตลอดด้วยดีด้วยปัญญาเปรียบเหมือนรถที่เทียมด้วยม้าอาชะนยที่ฝึกดีแล้วผูกเครื่องผูกครบทุ่นแล้วเป็นรถที่จอดอยู่ที่หนทางสีแพร่งมีภูมิภาคอันดี สารถีผู้เชี่ยวชาญในการฝึกม้าเป็นันอาจารย์ขยันขันแข็งขึ้นสู่รถนั้นแล้วจับเชือกด้วยมือซ้ายจับประตักด้วยมือขวาเพียงยกประตักขึ้นเป็นสัญญาณก็สามารถให้พาให้ม้าพารถไปข้างหน้าหรือถอยกลับไปข้างหลังได้ตามที่ตนปรารถนาข้อนี้ก็ฉะนนั้นเหมือนกันที่สัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอย่างนี้ อันเธอกระทำให้มากแล้วย่อมน้อมจิตไปเพื่อกระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองซึ่งทำใดๆที่ควรกระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งอยู่ดีแล้วคุณไม่ขาวทำได้อย่างนี้ดีมากสาธุสาธุก็นขอมนมั ส, าสการบาจาังไม่ <c oughs> อยากทำเรื่องกระดมจมกลมเนาะเพราะว่าที่ มาเฮ็ดอยู่นี่ล้เฮ่นเฮ่นผ่นาจา์เลยบอกให้การเดินจำกบมนันต้องต้องใช้ของใบขึ้นตื้มเท่าที่เฮ่นคืออยู่ในแม้แต่ประทรงหรือว่าผู้เคยปฏิบัติมาไล่ไลเฮ็ดมาในโซลไล่จะมันซาซ้าจนว่าสโลโมชั่นจนกว่าที่เอาลงได้ก็ต้องยกน้อยยางาน้อยีย็บน้อยส่วนที่วนทหลงได้ก็ต้องพักโดนแล้ววันนี้เฮ่นอาจารย์บอกอีกอย่างหนึ่งก็แสดง แล้วเขน่อยก็เห็นเคยเห็นบอดอื่นก็เคยเห็นเห็นว่าอย่างให้มันคือปกติอยู่ในในการเห็ดเวียของเหา่าหรือว่าสิไปทํางานข้องเหา่าเพราะอยยกษ์า ม, มว่ามันมีพ่ น, ว, น, พนว่ามันมีการแตกต่างกันจย่างใดอีพ่นดีหรือพ่นเสียจังได้แล้วก็ในพุทธจันทรว่าเรื่องการเดินยมกลมจังได้ครับสุทั้งหลายอันในส่งในการเดินมีอยู่ห้าอย่าง อย่างคือ 1. เป็นผู้อดทนต่อการเดินทางไกล 2. เป็นผู้อดทนต่อการทำความเพียรสามเป็นผู้มีอาพาธน้อย 4. สิ่งที่กินแล้วดื่มแล้วเคี้ยวแล้วลิ้มแล้วย่อมถึงการย่อยด้วยดีและ 5. สมาธิที่ได้ในขณะแห่งการเดินย่อมตั้งอยู่ได้นานนี่คืออนท่สองในการเดินมีอยู่5อย่างการเดินในภาษาบาลีใช้คำว่าจังกมะ แปลว่าการเดินอ่ะพุทธเจ้าเคยพูดถึงนัยยะที่ใครง่วงก็หมายถึงการกําหนดหมายเดินกลับไปกลับมาอันนี้ก็มีเหมือนกันโดยในรายละเอียดไม่ได้บอกว่าต้องเดินช้าหรือเดินเร็วแต่การเดินที่บอกว่าทำให้มีสมาธิอยู่ได้นานเนี่ยแสดงว่าถ้าเราต้องการทาสมาธิในการเดินเนี่ยคือสมาธิเนี่ยมันมันอยู่ที่จิตมันอยู่ที่จิตแตมันไม่ได้อยู่ที่ท่าทาง ไม่ว่าจะอยู่ท่าทางไหนเราต้องทําจิตให้เราเป็นมีกําลังมีความเป็นหนึ่งได้ตลอดนั่นคือทําให้บางคนเนี่ยไปเข้าใจว่าเออคุณมาปฏิบัติสมาธิหรือทําสมาธิเนี่ยมันจะต้องแบบทําอะไรแปลกๆกว่าปกติมันไม่ใช่พระรูชาวิใช้คําว่ า, าจิตเป็นหนึ่งบ้างนั่นก็คือสมาธิใช้คําว่าจิตที่เป็นเอกคตาบ้างอย่างนี้ คือไม่ว่าเราจะเดินอยู่ยืนอยู่พูดอยู่นั่งอยู่ทํางานอยู่กับรถอยู่จิตเราต้องเป็นสมาธิเอาง่ายๆ่เวลาที่เราพูดในที่ชุมชนอย่างเงี้ยหรือว่าเราขายของไปขายของไปซื้อของถ้าจิตเราไม่มีกําลังไม่มีสมาธินะโอ้ยเราจะพูดไม่รู้เรื่องประชุมไม่รู้เรื่องการคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องนะเขาพูดเรื่องนี้เราชวนไปพูดเรื่องอื่นนะเขาประชุมคุยกันเรื่องนี้เราชวนคุยเรื่องอื่นเพราะว่าจิตเราไม่เป็นสมาธินะเพราะฉะนั้นสมาธิเนี่ยหมายถึงการที่จิตเป็นหนึ่งเท่านั้นอง อย่าไปติดยึดรูปแบบว่าต้องเป็นรูปแบบอย่างนั้นอย่างนี้นั่นะคือถ้าเราไปมีรูปแบบในการทำมากเกินไปเนี่ยจะทาให้การปฏิบัติของเรามันมันมันไม่ยืดหยุ่นบอดนั่นะคือจะต้องมาวัดเท่านั้นต้องทำตัวแปลกๆเท่านั้นต้องเดินแข็งๆเท่านั้นถึงจะปฏิบัติทําได้ไม่ใช่นะการปฏิบัติธรรมเนี่ยมีอยู่ในทุกทุกๆส่วนของชีวิตเราอยู่แล้วนะมันอยู่ที่จิต จิตของเราเนี่ยทำยังไงให้จิตของเราเป็นสมาธิหมายถึงนะสมาธิตรงนี้หมายถึงจิตมีกำลังจิตเป็นหนึ่งนะไม่ใช่ว่าไปเดินแข็งแข็งหรือว่าเดินอยู่ในที่ทำงานไม่ใช่อย่างนั้นแต่ด้วยอริบทไหนๆในที่นี้จึงให้มีการฝึกว่าเอ้าตอนเที่ยงคุณไปทำความสตร์ททาอะไรจิตคุณก็อยู่ในสมาธิได้คุณเดินคุณํรรมไรอยู่ธรรมดานี่แหละจิตคุณก็อยู่ในสมาธิได้ ทีนี้จะอยู่ในสมาธิได้การพูดคุยมันจะทําให้มันทำได้ยากเราก็งดพูดคุยแเราก็ให้สมาธิที่ได้จากการเดินเนี่ยมันจะทําให้อยู่ได้นานอันนี้สืบเนื่องมาจากการที่มันจะมีผัสสะเกิดขึ้นหลายอย่างนะในขณะที่การเดินมีกล้ามเนื้อต้องมีการเคลื่อนไหวเพรา ะ, ะนั้นพอจิตรวมลงไปสมาธิแล้วเนี่ยจึงอาจจะมีความชํานาญมากกว่าการนั่งแตนะ่อย่างไรก็ตามในเรื่องของการเดินนี้ นะพุทธเาไม่ได้บอกว่าต้องเดินอย่างชา้าช้าหรือว่าเดินในลักษณะไหนพูดถึงการทําจิตอย่างเดียวนะว่าถ้าเราเดินอยู่เนี่ย เ, เราก็รู้ว่าเดินอยู่อันนี้ก็ได้อย่างหนึ่งหรือเราเคลื่อนไหวเอริบทอยู่เราก็รู้ว่าเราเคลื่อนไหวเอริบทอยู่มีสติอยู่นี่ก็ได้อย่างหนึ่งหรือว่าเราอยู่ในลมหายใจก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็ลองคิดเปรียบเทียบดูนะว่าถ้าเราต้องอ่อ มีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเฉพาะเนี่ยจะทำให้การปฏิบัติของเราเนี่ยมีขีดจำกัดมีข้อจำกัดอยู่หลายอย่างนะซึ่งอันนี้ไม่ใช่ธรรมะของพระุทธเจ้าละนะถ้าในลักษณะการประกาศธรรมของพระุทธเจ้าเนี่ยจะมีความยืดหยุ่นจะไม่มีข้อจำกัดมากนะเพราะนั้นในการปฏิบัติก็ให้เดินอย่างธรรมดานี่แหละนนะคือมันอยู่ที่จิตนะเราทาจิตยังไงเราถึงจะสงบไม่ได้อยู่ที่ท่านะถ้า มันท่าไหนถ้าใดท่าหนึ่งแล้วจะทําให้จิตสงบเนี่ยมันก็ไม่ได้จะไม่ได้ใช้ก็ได้กับทุกคนนะคือบางคนบอกว่าเอานั่งคู่ขาเอางั้นเอาขาขวาทับขาซ้ายบางคนเอาขาซ้ายทับขาขวาได้ไหมขาขวาแบบเจ็บอย่างเงี้ยเอางั้นคนขาขวาเจ็บนี่จะนั่งสมาธิไม่ได้เลยหรอหรือว่าถ้าคนป่วยอ่ะนอนเตียงอยู่เดินจงคมไม่ได้เอาคุณจะบรรลุทําได้ไหมเนี่ยใช่ไหมทีนี้มันอยู่ที่จิตไงทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งนั้นเนี่ยมันจะมารวมลงอยู่ที่จิต พระพุทเจ้ า, าจึงสอนเน้นเรื่องของจิตมากเลยมีภิกษุรูปหนึ่งสมัยก่อนนะสมัยพุทธกาลน่ยโอ้ยศีลทั้งเป็นหลายๆร้อยข้อเป็นหลายพันข้อทําไม่ไหวหรอกพระพุทเจ้าถามว่เาเงินเธอรักษา3าข้อได้ไหมศีล ส, สมาธิปัญญาเธอรักษาได้ไหมโอ้ย3ข้อก็ยังมากไปเอาเงินเธอรักษา2ข้อได้ไหมทํา2ข้อได้ไหมแค่กายกับใจเธอรักษาได้ไหมโอ้ย2ข้อก็ามากไปเอาข้อเดียวได้ไหมรักษาจิตได้ไหมก็คือจิตเท่านั้นเอง ทีนี้จิตที่มันจะหมุนออกมามันก็หมุนมาทางกายบ้างทางวาจาบ้างนะออกมาเปลี่ยนแปลงเป็นสมาธิบ้างออกมาเปลี่ยนแปลงเป็นความท่าเดินการเดินการ ท, ท, ท, ทําอริบทต่างๆทีนี้เราต้องสนใจสิ่งที่อยู่ข้างในคือจิตของเราเท่นั้นเอง <c oughs> อย่างไอ้อลมหายใจอย่างเนี้ยมีแพทย์หญิงคนหนึ่งก็มาถามมาเมาเขาบอกว่า ลมหายใจตอนที่ออกแล้วมันยังไม่เข้าเนี่ยกำลังจะเคลื่อนเข้าเนี่ยมันมีจุดหยุดอยู่นิดหนึ่งนะมันมันไม่มีการกระทบเนี่ยเราจะเอาจิตไว้ที่ไหนหรือว่าระหว่างที่เข้าแล้วมันยังไม่ออกเนี่ยมันหยุดอยู่นิดหนึ่งเนี่ยจะเาจิตไว้ที่ไหนคือมันไม่มีการกระทบตรงนั้นซึ่งต้องให้เข้าใจว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือจิตเราไม่ได้ต้องการลมหายใจเราไม่ได้ต้องการท่าทางการเดิน เราไม่ต้องการว่าคุณป่วยหรือคุณไม่ป่วยคุณนั่งเก้าอี้หรือไม่ได้นั่งเก้าอี้คุณจะทํากิจอะไรอยู่คือในการบรรลุธรรมเนี่ยมันได้ทุกอิเดียบทนะในสมัยพุทธกาลโอ้มีทุกอิเดียบท์พิสูจน์บางรูปเดินอยู่ก็บรรลุเป็นพระอรันก็มีบางรูปนอนอยู่จะตายอยู่แล้วแต่บรรลุเป็นพระอรันก็มีบางรูปอย่างพระอนุนอย่างเงี้ยจะนอนจะนั่งยังไม่ใช่นั่งไม่ใช่ท่านนอนบรรลุเป็นพระอรั น, นก็มีนะพระโมคระณะ ง่วงอยู่คลายความง่วงได้บรรลุปเป็นภระอรหันต์ก็มีหรือว่าเพื่อนของนายวิสาขาท้องในท้องยังมีเล่าอยู่เลยหลัวเราะเอิ๊กอิเอิก อ, กอกิพุทเจ้าแสดงธามบรรลุปเป็นพระอรหนก็มีเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่จิตของเราขอไปบรรลุเป็นโสดบันแต่เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่จิตของเราว่าเออเราจะทรงจิตของเรายังไงให้ให้มันมันมีสติอยู่ตลอดมันแค่เซี่ยวแค่ขณะจิตเดียวนั่นที่เราจะปล่อยวางได้เนี่ยมันแค่ขณะจิตเดียว คือเราทำเราทำเนี่ยเราเพิ่มความน่าจะเป็นให้จิตของเราเพื่อที่เราจะปล่อยวางได้นะให้เป็นจิตที่เป็นอิสระพ้นจากสิ่งที่ต้องมายึดถือเพรา ะ, ะนั้นเราเดินยังไงก็ได้เดินแล้วให้มันจิตมันสงบอ่ะเอาเอ า, เอาท่านั้นนะไม่ได้จะต้องกำจัดจำกัดว่าเอาท่าไหนขอให้จิตมันสงบเอาท่านั้นเลยแต่จากประสบการณ์ที่หลวงพ่อเคยปฏิบัติจากที่ตัวอรมาเองเคยปฏิบัติเนี่ยถ้าเดินช้าเกินไปนะ ข้อที่หนึ่งที่เราเห็นเลยนะคือเราก็เคยไปฝึกมาก่อนแเราคือไม่ไปทําข้างนอกไม่ได้เดินไปขึ้นรถเมย์อย่างเงี้ยเฮ้ยเราทำไม่ได้เว้ยเดินช้าช้านี่เดี๋ยวรถชนตายหาเลยทําไงข้ามถนนประการที่2ก็คือถ้าเราเดินช้าเกินเดินช้าแล้วเราจิตของเราไว้ที่เท้าเนี่ยทำเนี่ยเดินจงกมอยู่ตรงสำนักงานเนี่ยเราเดินช้าช้าเดินไปดูเอ้ยมันพอจิตสงบปุ๊บมันกลับตัวไม่ทันมันไม่ได้มันจะล้มแล้วก็ เลยเอาประสบการณ์ตรงนี้มาเล่าให้ฟังว่าเอองั้นก็เดินธรรมดาแล้วกันแล้วส่งจิตเอาไว้ให้ให้ใหเป็นปกติส่งจิตเอาไว้ให้มีสมาธิให้เป็นจิตที่เป็นหนึ่งอยู่อย่างต่อเนื่องต่อไปนะประเด็นคือทํายังไงก็ได้ให้จิตสงบทํำยังไงก็ได้ให้จิตเราแน่วแน่นิ่งเป็นอารมณ์เดียวทีนี้ว่าแถ้าจิตมันไม่นิ่งเราจะทํำยังไงเราก็พยายามฝึกไปนะพยายามฝึกไป เลยอันนมมาสการพระอาจารย์พระขุนเจ้านขน้อยกั บ, บ่รมีอย่างไล่โนมิติว่าเวลาที่ขน้อยนั่งสมาธิแล้วขน้อยเกิดเวทนาทุกๆครั้งที่ว่าเกิดเวทนานขน้อยจะทนบัได้ผ่านบัได้ขน้อยนะแล้วเขามีวิธีนะได้ที่ที่จะกําหนดให้เขาอันผ่านต่อเวทนานั้นไดเพราะว่าขน้อยได้หินมาว่า ถ้าว่นเขวันนางสมาธิหรืยว่าปฏิบัติธรรมนะถ้าว่าพันเบิธนาบไดายพันว่าจะบวกาวหน้าข้อพ็นแนะนำว่าเวทธนาที่ไหนที่ขาเหรอโดย <laughs> สน่าจะเป็นค่ากนหน่อยต่อมา<ำ>แล้วก็สั้นล่างแล้วก็ะลรมานำข้อ <laughs> นำหัว หมดตนหมดตัวเปิดมดเอาขาก่อนผมว่าคบอกว่าเคยบอกว่างูเนี่ยมันไม่ปวดขานะเพราะมันไม่มีขาเหมือนถ้าเราฉอออกเนี่ยเราจะปวดแค่แผลแต่เราไม่ปวดขาแล้วอันนั้นจะเป็นการแก้ที่ไม่ใช่เป็นไปตามธรรมนั่นะคือหมายความว่าถ้าเราฉอขาออกนี่นะ ขาเราไม่ปวด แ, วแต่ขาเราก็ด่วนมันก็จะไม่ถูกทําวิธีแก้มีอยู่สวิธนะีคืออันดับแรกสู้มันเลยแล้วนะมันปวดตรงไหนเอาอจอมันตรงนั้นจี้เข้าไปเลยปวดตรงไหนจี้เข้าไปนะเอาจิตของเราเนี่ยสังเกตลปใจแล้วก็จี้เข้าไปนะถ้าเราเห็นความไม่เที่ยงของมันนะปล่อยวางได้อันนี้ก็วิธีหนึ่งนะทีนี้จะปล่อยเห็นความไม่เที่ยงได้นี่นะคือบางคล มันเป็นอย่างนี้จิตที่มั น, ม, นมันแบบมันปวดเนี่ยมันก็ไม่อยากได้แล้วมันก็อยากได้ที่ไม่ปวดอยากได้ที่เป็นสุขถ้าเรายังไม่อยากได้ทุกเรายังอยากได้สุขอยู่อันนี้คุณทําไม่ถูกพระเจ้าบอกว่าเราต้องสุขเนี่ยนะเราต้องเห็นโดยความเป็นทุกข์ทุกข์นี่เราต้องเห็นโดยความเป็นลูกศรแล้วก็อทุกข์มาสุขนี่เราต้องเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยง ถ้าเราเห็นอย่างนี้เราจะมีความเบื่อหน่ายแล้วเราจะปล่อยวางได้พูดเฉยๆพูดได้อยู่แต่ทำจริงๆเธอต้องทําเองคือเราเห็นความทุกข์อย่างนี้โอ้ยมันปวดเห ล, ลือเกินคุณเห็นไหมว่ามันมันไม่เที่ยงแต่ถ้าเห็นไม่เที่ยงแล้วเราอยากได้สุขถ้าเห็นสุขว่าไม่เที่ยงเหมือนกันอันนี้คุณจะผ่านได้แต่ถ้ายังอยากได้สุขยังไม่อยากได้ทุกข์อันนี้คุณจะยึดอยู่จะไม่สามารถปล่อยวางได้วิธีที่สอง ก็คือว่าใช้วิธีไม่สนใจนนคืออยู่กับลมหายใจอย่างเดียวป่วยมากไม่สนไม่รู้เรื่องไม่เอาไม่เป็นไม่ดูเรื่องมันยังงูมันมันไม่สนใจขาเพราะมันไม่มีแต่มันก็อยู่ไปเรื่อยๆของมันแล้วเราก็ไม่สนใจความรู้สึกนั้นอันนี้ก็ได้วิธีหนึ่งมารู้อยู่แต่กับลมหายใจพอเรามารู้อยู่กับลมหายใจพอเราเรื่อยจิตของเราเป็นสมาธิมากขึ้นความเมื่อยความปวดความเหนือ่อยอะไมันก็วางไปได้หมด มีพยาบาลคนหนึ่งเข้ามาปฏิบัติทำที่นี่เขาก็มีความรู้ทางด้านชีววิทยานะกายภาพาต่างๆเขาก็มาอธิบายฟังว่าเออาเรานั่งเกินไปนะเส้นเลื่อนมันตีบนะมันจะเดินไม่ได้นะแล้วก็เป็นชานะไม่ยืยนสุขภาพนะนั่งนี้ต้องคอยนวดอยู่เรื่อยๆนะคือจะพยายามที่จะให้เหตุผลในการที่จะออไม่นั่งหรือว่าแก่ด้วยวิธีอื่น หลันี้พอเขาทําไปทําไปฝึกปฏิบัติไตไม่ต้องพูดอะไรกันมากทําไปบังคับไม่ทําแล้วทําไปทําไปถึงจุดหนึ่งที่เขาปล่อยใช้ใช้วิธีที่2คือสังเกตอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวโดยที่ไม่ไปสนใจเรื่องความปวดความเจ็บนี้หลังก็ปรากฏว่าคือปกติเนี่ยเขานั่งไป40่นาทีเขาจะเริ่มปวดชาลุกขึ้นนี่ก็ต้องคิกกระโดกกระเดกขย ე กไปอย่างเงี้ยนะพอครบชั่วโมงแต่พอ ทำจิตอย่างนั้นได้เนี่ยเขาแปลกใจตัวเองมากว่าเอา้าทำไมฉันหนึ่งชั่วโมงนั่งผ่านมาแล้วมันไม่ปวดอะไรเลยนะพอหมดชั่วโมงปุ๊บลุกขึ้นเอา้ามันลุกขึ้นได้ปรื้เลยนะโดยที่ไม่มีอาการชาไม่มีการอะไรนะเขาก็ยังเป็นงงตัวเองอยู่นะทีนี้คือเราต้องทำคือเขาก็ทำได้ครั้งเดียวนะคือทำได้ไม่ชนานาญฟุกๆไปทำได้เพราะงั้นเราก็ใช้สามารถใช้ได้2วิธีนี้ สามารถใช้ได้2วิธีในการที่เราจะดับเวทนานี้ได้ในนี่เป็นวันที่4ี่เนาะวันที่5วันที่6ก็จะมีเรื่องราวที่พูดถึงเวทนานี้อยู่อีกหลายๆตอนะก็ให้ทําการศึกษาต่อนเนื่องไปในการดิเกเลนต์ปฏิบัติของเราจริงๆแล้วลก็จะไม่ให้มีการพูดคุยไม่มีการสับตำปัญหาแต่ในครั้งนี้เป็นครั้งพิเศษที่ หลวงพ่อได้ขอไว้ก็ก็เป็นพิเศษเฉพาะครั้งนี้แล้วก็ในการตอบคําถามนี้ก็จะมีครั้งนี้เท่านั้นเองแล้วคำถามอื่นๆที่ท่านทั้งหลายมีอยู่หรือว่าคิดว่าจะมีก็ให้ไว้ถามในวันสุดท้ายในการนี้ให้อยู่ในกฎของการลีกเล่นต่อไปนะให้เป็นผู้ที่มีสติอยู่ในลมหายใจแล้วก็พยายามที่จะระลึก รู้อยู่ในลมหายใจของเรายู่อย่างต่อเนื่องก็จะเป็นให้การปฏิบัติของเราก้าวหน้าไปได้อีกประการหนึ่งคือเรื่องของที่ว่าเราเห็นลมหายใจแล้วลมหายใจนั้นดับไปแล้วก็หายไปนะเป็นผู้ที่มีกายสงบระงับเนี่ยถ้าเราดูให้ดีเราจะพบว่าลมหายใจของเราเนี่ยก็อันหนึ่ง ผู้ที่เข้าไปรู้ลมหายใจนี้ก็อีกอันหนึ่งแต่ถ้าเราเห็นอย่างนี้ได้ชื่อว่าเห็จิตนะละเราก็หรือความคิดเนี่ยความคิดก็อันหนึ่งผู้ที่เข้าไปรู้ความคิดนี้ก็อีกอันหนึ่งถ้าเราเห็นอย่างนี้คือบางทีเรานั้งสมาธิจนละเอียดไปเนี่ยไม่มีลมหายใจเนี่ยเราไม่รู้นะว่าอไอ้ผู้ที่เข้าไปรู้ลมหายใจนี่มันตัวไหนแล้วตัวที่เข้าไปรู้ไอ้ตัวรู้ตรงนี้มันตัวไหน แล้ถ้ายังไม่เห็นตรงนี้คือยังไม่ละเอียดพอเราก็ค่อยๆทําไปนะทําให้มันละเอียดยิ่งขึ้นการที่จะทําให้ลึกซึ้งขึ้นไปได้นี้นะการอยู่ในเสานาสนาอันสงัดช่วยได้การที่ไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะเป็นผู้ยินดีในการหลีกเล่นนะเป็นผู้ที่พอใจในการหลีกเล่นก็จะช่วยทําให้การปฏิบัติของเราละเอียดลึกซึ้งลงไปไดนะ้ให้มีความมั่นใจในคําสอนของพระพระเจ้า ให้มีความมั่นใจว่าในการปฏิบัติของเรานั้นก็ได้ปฏิบัติอยู่อย่างถูกต้องนะให้ใช้เวลาที่เธอได้สลากมาในะอย่างเกิดประโยชน์มากที่สุดนะในการอยู่ในกฎของการหลีกเร้นจะมาปฏิบัติได้7วัน9วันนี้ไม่ใช่ธรรมดาในะก็ชะลาการงานกิจการงานมาได้นั่นะก็ขอให้ทําได้อย่างเต็มที่นะการที่อยู่ในกฎการหลิกเร้นจะเป็นการที่ช่วย ตัวท่านเองในการปฏิบัติในการที่เราไม่ก้คลีด้วยหมูคณนะนะให้ใช้เวลาที่เราสละมาแล้วนะใช้ประโยชน์จากสถานที่ต่างๆให้เกิดประโยชน์มากที่สุดมีความตั้งใจว่ามือนี้สิอธิบายซ้ำที่ท่านัยบุญเทศ ต, ตอบปัญหาไป ข้าพเจ้าได้ฟังอยู่แต่ว่าเพื่นตอบสั้นสั้นพอเป็นที่เข้าใจเหมือนนี่ขอขยายความซ้ำอีกคือโยมพอกที่ถามมานะ่ะว่าเรื่องสารเรื่องสมาธิเรื่องมรรคกิริพามันไปจากไหนมาจากไหน ก็ตอบให้ฟังเรื่องสารอที่นี่อาจจะมาเสืธิบายให้ฟังเทศให้ฟังให้เข้าใจในเรื่องความเป็นจริงเอาเรื่องสารก่อนศารคือความเพ่งเพ่งอารมณ์กรรมาฐาน อันใดอันหนึ่งเส้นพุดโธพุดโธหรืออสุผะอสุผังพวกนี้ความเปื่อยเน่าความหม่นความชกโปก๊กเนี่ยก็ทำจิตเพ่งอย่างนั้นตั้งใจตั้งบริกรรมเส้นบริกรรมลมหายใจหรือว่าอนาปานสติพวกนี้ก็ได้หรือจิเพ่งก็ดูกก็ได้ จิตของเฮาก็สคอยรวมลงรวมลงเป็นเอกคะตาลมนี่เป็นปฐมสาลนวถ้าเฮาที่ทำสานให้สูงขึ้นกระเพ้งต่อไปอีกจนถึงว่าบ่มีอีย่างที่เข้าไปที่เจนาได้อีกวิตกวิจารปีติสุกเอกคาตาอันนี้เป็นปฐมฌานนี่ ปิติสุขเอกคาตาอันนี้ธุติยชานแล้วก็มีแต่สุขกับเอกคาตานี क क ่ตติยาชานแล้วก็มีแต่อุเบคาครับเอกคาตาอันนี้เป็นจตุธาชานจดพวกชานนี้ เกิดปัญญาเน่มาเกิดปัญญาเกิดความสงบสุขสุขหลายแต่ว่าอยู่ได้แค่สองสามมื้อนี้หรือเจ็ดแปดมื้อนี้ก็เสื่อมแล้วได้อยู่ได้สุขได้สบายอยู่ได้แค่เจ็ดแปดมื้อเท่านี้ลหละก็เสื่อมลงเาเข้าสารต่อเรื่อยๆ กับโบเซียมไปเรื่อยๆแต่บบมีปัญญาพิจนามาักขดนิพพานเน้มีปัญญาเข้าพาวางังยอดของซานก็คือเข้าพาวางังวางมดปุ๊บเหลือแต่ความเงียบสงบไปเลยเมื่อเหลือยังลูกกรบโบมียังกรบโบมีเข้าพับเรียกว่าเข้าผวางัง นี่เป็นอั ป, ปนาสาลด้วยว่าสานทางซีมันเข้าถึงความสงบเต็มที่ก็คือเข้าผวังคือเฮานอนรับนั่นแหละมันเข้าผวังเนี่นะยจิตเข้าผวังอนอนรับนะ่ะรับไปเงียบไปเลยอืนั่นแหละหงเยาขึ้นมาก็สดชื้นแจ่มใสสบายอกสบายใจเกราท่านั้นแต่ว่าถ้าเฮาอยากให้ เป็นมากเป็นผลเฮาบอให้มันเข้าผ ว, วังวะนี่เฮาเอามาพิจะะารณาพิจารณาให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในตัวของเฮานี่ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันก็จะแกมแจ้งขึ้นมาลดอันนี้ก็สิเห็นชัดเห็นจริงเข้ามาท่าบรสั้นท่าบรเฮตจังสั้นมันก็จะเกิดพวกฤทธิ์พวกเดชพวก อะไรต่างๆพวกนี้แหละอภิน ญ, ญาหูทิตาทิพพวกนี้แหละ ถ, ถ้าเอาทำสารให้แก่ก้านเอาสิได้พวกนี้ขึ้นมาได้พวกหูทิบตาทิพรู้ว่าอะไรกิจของคนอันนี้แมนสารสารนี้รู้ถ้าได้ปฐมสารก็รู้แน่นี่น้อยวันไดถ้าได้จตุธาาร น, นี้รู้มัดเลย ดูรเรื่องนั้นดูรเรื่องนี้เอาคักแค่เด้อว่าเป็นธรรมดาแต่ว่าคนก็จะวฏิติดแล้วนี่ติดศ า, านทะันละโอ้ยว่าดีหลายโอ้ยนี่คือมักคือผลเนี่ลงเด้อว่าหูจักเลยก็าิปชอบใจพอใจยินดียุทียงความรู้ความเห็นที่เป็นอภินญาพวกนี้แหละสิเอิดงอันไหก็หูว้วัดเข้ามาในวัดนี้ก็หูว่าโอ้นั้นเป็นอย่างนั้นและนี่เป็นอย่งนี้งู่รถแกงข่าวขึ้นมาโรดอันนี้ อันนี้อยู่ได้เพียงอํานาจของซานแต่ซานเสื่อมแล้วก็บรรู้ว่าเห็นเอยียงขั้นเป็นผ้ายูก็จิตใจก็ลวนเละแล้วบวะนี่ถ้าซานเสื่อมแล้วเนี่ยเอาคืนเมื่อไรโมหุจาวิธีเอาคืน oh อถ้อามหุจาวิธีเอาคืนก็คือบริกรรมอีกเข้าซานอีกให้ซานนี่มันแก่กล้าขึ้นมาอีกคือเกาดาลงอยู่อย่างซันน่ะนี้เรียกว่าเข้าซาน อือเขาจะพูดว่าเข้าสารเข้าสารน่ะคือเข้าเพ่งอสุภาเพ่งกระดูกเพ่งกระสินพวกนี้กระสินซิปอสุภาษซิปอ่าอนุสติตซิป พ, พวกนี้จัตุธาตราวัฏฐานอาหารเลบติกูลสัญญาพวกนี้แหละเข้าแล้วก็จะได้เป็นสารขึ้นมาลดถ้าเอาพิจารณาฮึอันเอาเพ่งเอา บริกรรมยูเล็กสั้นมันสิเป็ี่นลดมันสิได้พวกนี้ลดได้หูที่ตาที่ขึ้นมาลดอันนี้มันเป็นยูสั้นอันนี้เรียกว่าได้สารสารนี่ก็ที่สุดของมันก็คือเข้าผวางังต่างกันจงได้เขสมาธิแบบนี้สมาธินี่ก็บริกรรมมันเดียวกันละ่ะเซ็นกับบริกรรมลมหายใจเข้าออกนี่แหละคือกันบริกรรมคือกันแต่ว่า จิตมีอารมณ์เดียวได้ไหมมีอารมณ์เดียวแต่บ่เบาเหอเด้เบาเหอเขาผวังจิตที่ตั้งเทียงตั้งมั่นเป็นหนึ่งอยู่มีอารมณ์เดียวคือบ่คิดบ่เนึกบ่รู้สึกไปทางอื่นแต่ว่าตั้งสติมั่นอยู่อย่างสั้นตลอดอันนี้มีอุบายคือวิธีลายยางคือกัน คอยเพลงคอยพิจารณาขึ้นไปคอยรู้เช่นเขารู้ลมนี้เขาก็จิตเป็นสมาธิแล้วนี่เป็นสมาธิก็คือเป็นเอกขตาลมมีาลมมาเดี่ยวทอดกับปุสมประสานนั่นแหละอย่างวันถึงอัปนานเนยคณิกาสมาธิสงบนิดหน่อยใจสบายว่าบขึ้นมาอุปจลลสมาธิสงบนาน บอูฟุ้งซ่านงาใจตั้งเที่ยงต่างมันอยู่ในอารมณ์อันเดียวอันนั้นบอกคิดบอนึกบอรู้สึกไปทางอื่นแม้นมันรู้ของมันอยู่อย่างสั้นเห็นใจสงบอยู่อย่างสั้นแหละแต่ว่ากระทรงยุททรงยุทแต่ว่ามันบาละเอียดลงไปถ้ามันรละเอียดลงไปถึงอ ป, ปนาสมาธินั้นอันนั้นโอ้ ออกมาพบมันเกิดสติปัญญาเกิดความรู้ความสลาดขึ้นมาเลยสามารถที่จะรณาร่างกายตัวตนของเฮาให้ลุดพ้นจากกิเลสกองทุกได้เหมือนอย่างญาติโยมที่มาปฏิบัตินี่อาตมาบริสอนเรื่องสารเนี่ยสอนเรื่องสมาธิพอจิตเป็นสมาธิมีอารมณ์เดียวเท่านั้นนหละอาตมาก็เทศอสุภะหรือเทศเรื่องขันหา้าเรื่องอย่างต่างๆเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตาตาไตรลักษ อาตมาประเทศงนี้ข้าพเจ้าเทศจงซีแหละพอเทศจงซีแล้วญาติโยมก็ฟังฟังแล้วกระทาใจให้เปลี่ยนไปตามนั้นก็สามารถบรรลุมากผลได้เนี่ยถ้าบรรลุเป็นพระลีบุคคได้แต่พอถึงละซันบ่ถึงสูงเนี่ยพอพอจิตสงบเท่านั้นข้าพเจ้ากระเทศลดไป เ, เทศให้ฟังลดเทศให้แก้ไขให้จิดใจถึงมากถึงผล อันนี้สมาธินั้นคือมาคือทางไปถึงมรรคผลละสกายะทิธิอวิกิกิจชาศิลปตปลามาตสกายะทิธิละความถือว่ามีตัวมีตนนี่ข้าพเจ้าประเทศส่วนนี้สกายะทิวิกิกิจชาความลังเลสงสัยในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมสงและก็ศิลปตาปลามาต การปฏิบัติรูปรู ป, รปคำคำเฮ็บ่จริงว่าจางว่าตั้งใจว่าทำกรมพระกรมเพียนเต็มทีพอเฮารู้ว่าจิตใจของเฮามาถึงขั้นนี้ปั๊บจิตาวางนี้บะนี่วางความยึดถือภายนอกเหลืออยู่ภายในใจวางใจกระซุ่มเย็นขึ้นมารถเพียงกระซุ่มเย็นเอ้ามันถึงมากผล น, นี่มันได้มากได้ผลอันนี้เป็นตังซี่ข้าพระเจ้าเทศต์ตัวที่แหล ะ, ะกับว่ผิดหลักเล้ เราตามหลักขอ้อศาสนาแต่ว่าถ้าเฮ็ดไปเฮ็ดไปกีดของเฮ็ดกระซูขึ้นชูงขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแล้วสงบระงับขึ้นไปมันก็วันลุ่สูงขึ้นไปเรื่อยๆจนหดพระอรหันไปนะแต่ว่าบอกบอมีฤทธิ์เดชที่ว่าเข้าซานเข้าอย่างเอ่อบอมีนั่นแต่ว่าอํานาจของมากคว น, นิพพานนี่มันรู้เดะมันรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ดีกว่าบอเสียอันนี้น ซานยังเสื่อมอยู่แต่มาขวนโบเสื่อมเนี่ยไปได้ตลอดเป็นถึงพลาดลหันโบเสื่อมเลยนี่เป็นอย่างซี่สานก็สามารถเอามาพิจารณาให้เป็นไตลักษ์ได้ซานอะซานหนึ่งซานสองซานสามซานสี่ถ้าเอาเทเป็นเอาเอามาพิจารณาได้แต่ส่วนสมาธิมันพอมันเข้าถึงนั้นสมาธิแล้วนี่มันโบยากด้วันนี้มัน มันมีสติอยู่ตลอดมันบวหลับในเลยมันบ่มัน บ, นบวุบเข้าผ่องเลยมันมีสติเลื่อนลงไปปุ๊บเนี่ยมันสว่างจ้าขึ้นมาเลยในตัวเฮานี่อิจใจเฮานี่สว่างเลยเห็นอดเห็นธรรมมองเห็นชัดเกลื่นขึ้นมาลดอันนี้เรียกว่าสมาธิเฮาเดินสมาธิเฮาบ่ได้เดินฌานเฮาจึงบวคอยแม้นได้แล้วยังบมีอภินยาพออย่ายังต่าอยู่ถ้า เท่าสูงขึ้นถึงอัปปนาก็มีได้เหมือนกันคือกันตะลุ่เห็นคือกันชัดเจนคือกันแจ่มแจ้งขึ้นมาในใจคือกันในเรื่องต่างๆก็ดีถ้ากินเทาเข้าถึงอัปปนาสมาธิแล้วถ้ากิดถึงอัปนาสมาธิแล้วคือสงบเงียบจนว่ามีแต่รู้อันเดียวไม่มียังเลยตัวตนทั้งนอกนี่โมมีเสียงเฝ้าอยู่ใกล้กรซ้างได้ยินคือค้ยคืออยู่ไกลๆพูดนะอืมมันเป็นเสงสั้นมันรู้อยู่อย่างเดียว บางเท่าเรรับรูบ้ภายนอกซ้ำเรรูร้รูร้อีกย่างเลยรู้ถึงถึงนิโรธสมาบัติเพื่อน่ะจะถึงนิโรธสมาบัติเพือ่อนะฐานนี้บุรุษพ้นสมาธินี้หลุดพ้นเลยเข้าถึงโรธสมาบัติใคร อ, อันนี้ว่าความแตกต่างระหว่างสมาธิกับสานให้ฟังที่เฮาเหู่นี้เฮาได้สมาธิเลยอันนี้กาสมาธิอุปจารสมาธิ อปนาสมาธิคณิกาสมาธิคือสมาธิมันสงบลงไปนิดหนึ่งคือใจสบายว่านะกขั้นไปกว่านั้นอุปจันะสมาธิมบนี้มันละเอียดขึ้นไปได้เหมือนมันสงบแล้ว ม, มันก็ทรงทางในยักหน่อยหนึ่งเออมันก็รู้เห็นอยู่ภายในนี่ลนะอันนี้ก็เป็น ปุพจาละสมาธิคือสงบลงไปแต่ยังไม่วางขันภายนอกยังมีความรู้สึกภายนอกอยู่ยังมีตัวมีต้นมีแข้งมีขามียังอยู่ยังมีความรู้สึกว่านั่งรู้สึกว่ายืนรู้สึกว่าเดินรู้สึกว่านอนอยู่รู้อยู่รู้อาการของันนั่นอยู่อาการของเราอยู่แต่พอเข้าถึงอัปนาสมาธิแม้นเราจะยืนหรือนั่งอยู่ก็าสาง มันถือว้งวัดเลยความความรู้สึกที่รู้อยู่นั้นทั้งหมดเลยเหลือแต่รู้อันเดียวอยู่ในภายในลึกซึ้งเพื่อนะนี่เรียกว่าเข้าถึงอปปนาสมาธิเข้าถึงอปปนาสมาธินี่ถอนออกมาแล้วมาอยู่ธรรมดามาอยู่อุปจละสมาธิถ้าเฮาบอพิจารณาคือมันบอกพิจารณาเฮาก็พิจารณาได้ เอาออกมาพิจารณาเป็นอ น, นิจจังคือความโมเทียงเอาทุกขังคือความทนดูบอได้มาไว้มาพิจารณาโอ้มันทนดูพอได้มันไหลเรื่อยเนาะเอาอนัตต์มาพิจารณาจนเห็นแจ้งว่าโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างนี้บ่มีตัวตนที่เขาเข้าไปยึดถือเอาเนาะนี่จิตเขาหลุดพ้นได้ปะเนี้ยจิตเท่าทีหลุดพ้นเป็นพารียบคุคคลตั้งแต่โชดาวันขึ้นไป ส่นสารโมบันรูนะ้เนี่ยส่นสารโบัรู้สิบรนรู้ใดก็ต้องเอาสารโดยเอากำลังสารที่สูงนะมาพิยนาคือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเข้าสารวัดขึ้นเนะี่ยอันนั้นเอาสารสี่พระพุทธเจ้าเอาสารสี่พิยนายรู้แจ้งวิชาสามขึ้นมาเลยพอพระพุทธเจ้ารู้แจ้งวิชาสามขึ้นมาเลยนั่นอันนั้นเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้า สเรื่องของพวกเขาก็ทําตามคำส่งพุณเจ้าก็คือเอาสมาธินี่แหละให้มันถึงอัปานสมาธิให้มันถึงแม้นบ่ถึงแม้นว่ ถ, นวถึงพ้นเต็มที่เพียงเดินออกเดินเขา้าอัตมาก็สอนให้พวกญาติโยมทั้งหลายฟังว่าให้วางขันอันนี้โดยการพิจารณาอันนี้จังวอดเที่ยงทุกขังคนทุ ทนดูพอได้อนัตตาข้อมมีตัวตนที่เอาสิเข้าไปยึดตือเอาได้ว่าอันนี้เราคือของเราจริงๆหมู่มีนี่พอพิจารณาแค่นี้แหละจิตเข้าเข้าอัป น, นันแน่ถอยออกแน่เข้าแน่ถอยออกแน่เข้าพระเจ้าก็เทศให้ฟังใหม่เลยว่าให้พิจ า, จารณาจังสิพอพิจารณาปับจิตก็ลูแจ้งขึ้นมาทันทีเลยวางขันความยึดถือนี้ เป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่โซดาบันขึ้นไปจนถึงอรหันต์นี่และอันนี้เป็นเรื่องของหลักวิชาในการทำความภาคความเพียรของเฮานี่เฮามม่งตรงใสมารค น, นิพานอันเป็นของโบเวียนวรยไต่เกิดนั้นได้เลยทีนี้มาค น, นิพานก็ต่างกันนี้วันนี้โซดาบันกรลักส ก, กายทิธิคือความเห็นว่ามีตัวมี ต, มตนได มกีกิจกิจหาความลังเลสงสัย ใ, ในข้อปฏิบัติหรือในคุณพุทธเจ้าประทำประสงค์อืมเชื่อมันอ่นนะพอได้บรรลุแล้วก็เชื่อมั่นในพุทธเจ้าพระรมประสงค์นี้มีจริงแล้วก็ศรัทธาเริ่มใสมั่นคงอืศีลธรรมประตะปละมัดการที่ทำรู ป, ร ป, รป ค, ำคำำําำทํำหัวริงบอ่อจังนั้นบ่มีแล้วอยู่ในใจของพระสุตปันธมีแต่ทำจริงทํา แท้ทำให้มันเกิดมากเกิดผลสูงขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้เป็นอย่างซี่สูงขึ้นไปจนสกิทาคามีอนณาคามีสกิทาคาก็ราคาโทสะโมหะเบาบางลงไปดิแต่ยังมีกิเลสอยู่นะสุรวันนี้มีกิเลสโลกโกรธลงอยู่อืมยังมียังมีกิเลสอยู่แต่สกิทาคานี่ราคาโทสะโมหะเบาบาง ยังบันเบ็ดนี่เบาบางก็น้อยเหลือลงนั่นแหะน้อยลงศิลปะตะปละมวลอธิบายยังบ่ละเอียดเชิญให้ฟังให้ละเอียดคือว่าเอาบอตั้งใจทํำจริงๆนะเอาพอตั้งใจทําให้มันรูปมันเห็นขึ้นมาหรือละเอียดขึ้นไปอีกเฮาเฮ็ดไปพออวดอ้างพอ ให้คนน่องคนย อ, อธนาณาบได้ตั้งใจว่าสิทําให้มันละเอียดถึงสินะแต่ถ้าเราทําให้มันละเอียดว่าเห็ดอยงนี่มันเป็นประโยชน์ของผู้ค้าหรือของข้าพเจ้าอย่างนี้นะมันเป็นประโยชน์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าที่ทำเพราพระกรมเพียนนี่ให้มันหลุดพ้นสูงขึ้นกว่านี้อีกนี่สินะสว่วนชกิทาคามีนั้นคือ ราคะโทสะโมหะเบาบางอนาคามีเหลือจะปฏิฆะระปฏิฆะ ค, คมขัดเกลืองได้ละกรรมราคะใดนี่กรรมราคะอะไรปฏิฆะอะไรคือคมขัดเกลืองละไรบ่มีคมขัดเกลืองอยู่ในใจอันนี้เป็นคุณธรรมของพระอนาคามีส่วนพระอรหันต์นั้นละสังโยชนิบได้วัต พระนาคามีรท ะ, ะสังโยชนได้ห้าเแต่ว่าพระอรหันน์มีฤทธะสังโยชนได้บัดสังโยชนสิบนะละได้บัดผมมีเหลืออยู่ในใจเลยอ้ น, นี่นี่แหละมันต่างจากสารคือกันแต่ว่ามันก็ต่างกันตรงสี่ละ่ะเป็นบริกรรมกับบริกรรมบุคือกันเวลา พระอรหันต์ก็เข้านิโรธสวัสบดิ์เข้าสานเข้าอะไรพระก่อนได้มาถึงเขา้เขาสานพอเข้าสารแล้วก็สามารถมีพลังขึ้นมาหายเหนื่อยหายเมื่อ ย, ายหายหิวหายมีตัวกังวนลนั่นนี่บ่มีในใจของพระอาาริยเจ้าพวกนี้หรอกนี่ละรอดอฟังยังซี่ให้เข้าใจในรักสมาธิเกิดปัญญาสามารถรู้เห็นได้ ตัส์สู้มากลนิพานได้ส่วนฌานเขาหวังทุงข์ชุตะถ้าเอาไปพิจารณาจึงเกิดถ้าไ่พิจารณาก็ซ้ำสั้นนึงสั้นแ่ะเขาออกเป็นทุกข์อยู่สบายในภูในเขาในป่าในหล่อนบวกกวนกับคนอื่นใจก็สงบเย็นสบายเดีว่าวามันมากผลถ้ามาคนต้องพิจารณาเห็นเป็นใ น, ในจังหวัดทุกขังวัด หาตาเวททุกสิ่งทุกอย่างนี่อันนี้เกิดจากกําลังสมาธิกําลังสมาธินี้สามารถพิจารณาให้เห็นชัดลงไปจนเกิดควอเมื่อนายขายข้อมินดีวัววนเวียนมาเกิดในภพอันตน่ำนี้ก็ได้เป็นสุนัวันตุกิทาคานาคาลหันอันนี้แต่เวลาปฏิไซเพื่อเขาได้พวกพาละหันเพื่อเขาสารเขา้าสมาธิเขาอันนี้ได้คือกันเขาวพันทนสิมีเครืองอยัววะบางทีก็ เก็บไ่เลยพวยรลยเปรีป้ย น, นี่ก็เข้าสมาธิคอยพิจารณาเบืองยินก็คอยอ่อนก่อกำลังในเรื่องความวุ่นวายต่างๆวางเมือ่อจิตใจก็เป็นสุขสงบเย็นคือกันกับสานนั่นแ่ะสงบเย็นได้คือกันแต่ว่าแตกต่างจากสานแตกต่างว่าไหนแตกต่างสานนั้นดับนิวรณนห้าได้ ส่วนสมาธินั้นดับสังโยชน์ได้เป็นพระลีบุคคลนั่นต่างกันเสียะส่วนฐานแับนิวรณ์ได้นิวรณ์ห้านะ่ะดับได้เราได้อยู่ส่วระยะเนี้เก็ดมือเป็น ม, มือมือขึ้นอีกคืองห้าแล้วเขาเกีย่ยวไว้ขึ้งขาเขาเกีย่ยวแล้วเ่ท่นโดนก็ปรุงยอดใหม่นั่นแหะต่างกันบนฐานสมาธิละสังโยชน์ได้ เป็นพระลรหันได้นี่เป็นปเรื่องของสมาธิส่วนฌานก็เกิดละนิวรณ์ห้หาได้แ่ถ้าเอามาพิจารณาก็สามารถบรรลุได้คือกันแล้วก็สีเกิดความรู้เห็นเป็นอย่างต่างๆได้ด้วยมันกลับปันไรกลับกันมาอยู่ท่นานแหละฌานกับสมาธินี่ แคบสติกันโบ อ, กออกคนเหรอว่าอัะไรเป็นฌานอะไรเป็นสมาธิแต่ว่าคันผู้เฮ็นเป็นนั่นมันก็เห็นแล้วโอ้อันนี้เป็นฌานอันนี้เป็นสมาธิเป็นอย่างสาั้นที่เราคงเข้าใจแย้มแจ้งแล้วบ่านี้คือชิวะชงใส่แล้วสมาธิมีปัญญาฌานไม่มีปัญญา